มาจากที่ไหนอันนี้บ้านสุขาวดีค่ะพัทยาอันนี้โรงแรมเพือปายเดี๋ยในบ้านนั่นเลยเลยค่ะเดียพัยามาเลยค่ะไมบที่สุขาวดีค่ะเจ้าของอ๋อพอดีบอกเชิญเข้ามาหลายครั้งแล้วาที่บ้านมีอะไรบ้างเะจะได้สิ่งสักดิ์สิเยอะไม่มคนพัดจาริกัน อาจารย์จะว่าไหมคะไม่ไม่เคยคิดเลย อ, อยากจะถามดูยังจะถ า, ถามดูว่าเจตานาลมของการสร้างบ้านนี้เพื่ออะไรก็เพื่อให้คนไทยได้ภาาภูมมาหาว่าเรามีบ้านแบบว่าสวยๆไม่น้อยหน้าฝรั่งมันคหมื น, นค่ะาษีเพราะว่าเราสร้างเหมือนทางนี้ค่ยตะวันตกไฮยุโรปอ่ะคันแล้วมีกี่ชั้นนะ มีกี่ชั้นบางน่ะนะคะสองชั้นอจะมีอาคารส่วนใหญ่ค่ะสองชั้นแล้วก็มีอาคารอีกอาคารหนึ่งนะคะก็เป็นอาคารห้าชั้นนะคะเอก็มีพ่อแม่คนอิมาค่ะที่นี่ที่นมำมศการอยู่ค่ะเอชั้นบนสุดเป็นชั้นที่หกชั้นที่เป็นอาคารที่ให้คนเปิดให้เข้าไปดูนี่แหละก็มีเปิดอยู่สามข้างนะคะโซ เป็นอาคารเจ้าไม่กุฎีมแล้วก็เป็นอาธารดุจพระปรามีนะมีพระนมส่ยีกะซออาานี้ลูะูหรือเล่าอาารนี้ก็เป็นอาคารโดมพระซองแล้วนะเป็นพระพุทธรูปชีสฟชีดินไปถรณะองเป็นพระพุทธเจ้าปางประสูตรอะค่ะแล้วก็ซอแล้วอันนี้ที่เป็นของของดรปัญญาเลยนี่ใช่ค่ะ เพาเมื่อหลายปีก่อนเคยเคยมานิมนต์ให้ไปครั้งหนึ่งเป็นไปไปสวดไปทงพิธีอะไรตัวอาคารที่เป็นหกชั้นนี้เปิดให้คนเข้าไปชมเลยอเปล่าเปิดทั้งหมดเลยว่าใช่ปะเปิดทั้งหมดเลยค่ะ เราเก็บค่าผ่านประตูอะไรหรือเลค่าบาัดแค่หนึ่งรอยห้าสิบบาทอ่าสำหรับทุกคนนะค่ะอืก็มีคนไปดูเยอะไหมก็ก็โอเคนะฮะแต่ช่วงนี้ลดลงอ่ะค่ ะ, ะเพราะว่าทัวร์มีปัญหาค่ะทัวร์จีนมีปัญหาเพราะว่าเรามีลูกค้าก็ถ้าเป็นคนจีนก็ประมาณแปดสิบเอร์เซ็นแล้วก็คนไทยประมาณยี่สิบ ก็เหมือนกับที่วิหารเซียนนี้ก็มีที่คุณที่อวลาเมื่อรี้คุณเต๋าที่คุณเต๋าช่วคุณต้อยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนรุ่นพี่ก็มีเจตนาคล้ายๆกันก็คือเป็นสานที่ให้คนไปชมความสวยงามต่างๆข้างในอาคารมีอะไรที่สวยงามมาก มีภาพว่าเรื่องมีมีรูป ม, มีรูปปันหรือเป็นสถาบันสถาปัตในตัวอคาะคนเข้าไปดูอะไรกันเข้ดูปันสวยปั้นงามาสวนแต่สวนสวยแต่แล้วก็จะแม่คนอิม่มที่เป็นว้ใช่ไหมใช่อง <beside> คใหญ่ัหมถ้าแม่คนอิ่มค์ใหญ่เลยก็ใหญ่ ก็อะไรนะ09เมต28เซนอยู่ในตัวอาคารอยู่บนอาคารอยู่ชั้น6ชั้นสุดท้าความเชื่อในเจ้าแม่กวนอิมก็เชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงไหนรู้ไหมอยู่ในเมืองจีนใช่ไหมแล้วไม่มีใครแ้วไม่มีใครรู้เงจีนเป็นเทพยายาแต่พี่ว่าเขานับถือกันมานะ เหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนจีนนะคะอาจจะเป็นแับเสียนหรือว่าหาเสียนเพรคนจีนจะนัะถือเสียนใช่ค่ะบรรยาประวัติที่นี่ยาวอ่ะค่ะก็คือเติมทีนะคะมีสิบเอ็ดไล่ค่ะอก็เออเงหนูเป็นคนที่เริ่มเองค่ะที่ว่าให้มาซื้อที่นี่ค่ะเพราะว่าอะไรนะเจ้าของที่เก่าเนี่ยเขาเป็นผู้พิพาทจ้าแล้วก็ คือเป็นหมอด้วยเงี้ยค่ะเขาโดนฟ้องลมละลายแล้วเขาก็โทรมาหาหนูเนี่ยแหละค่ะโยมโป้เนี่ยค่ะก็โทรมาให้ช่วยก็เลยไปบอกกับท่านประธานนะดรปัญญาช่อเทวันบอกว่าให้มาช่วยดูหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนมาช่วยเหลือจัเอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า ก็คือเหมือนถ้ารับล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยค่ะก็เลยลงมาดูหนูเป็นคนพามาเองนะฮะเพราะหนูเป็นคนจังหวัดชนบุรีนะพื้นเพนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มาดูแล้วก็คือมันเป็นที่ตาบอดมันไม่มีทางออกทั้งด้านหน้าแล้วก็ได้หลังก็เดินมีสิบเอ็ดไร่แล้วมันจะมีดอกไม้สีขาวเต็ไมไปหมดเลยหนูก็เลยให ให้ชื่อบ้านเนี่ยก็คือเดิมจะสร้างแค่หลังหลังเล็กๆเองนะฮะจะชื่อสุขขาวดีนะคะเป็นบ้านสุขขาวดีนี่คนเรียกไปเรียกมาเลยสมานเป็นเป็นสุขขาว่าดีก็สุกแล้วก็เป็นขาวใช่ไหมเพราะว่าเอไว้ก็เป็นทาติดกันมันก็กลายเป็นสุขาวดีคนเรียกไปเรียกมาเลยสมานกันเป็นสุขขาวว่าดีเดิมมาชื่อสุขขาวดีสุขขาวดีค่ะเนี่ยค่ะเป็นที่มา แล้วหลังจากนั้นก็คือหมอวิทย์เนี่ยคือเขาสร้างแล้วเขาก็จะสร้างพระแม่กุฎีน์ด้วยแต่เขาสร้างสครั้งแล้วไม่ไม่สเาเร็จฟ้าผ่าทั้งนึงแล้วก็อีกสองครั้งไม่รู้เขาก็มีอันเป็นไปเนี่ยค่ะเหมือนเขาอบอกว่าไม่มีบุญบาดึงต่ อ, อก็เลยให้ท่านประธานนะคะท็อปเอร์วัญญามาสร้างต่ อ, อหลังจากนั้นท่านสร้างเสร็จแล้ว อ, อหลังจากรุกสึกได้ประมาณไม่กี่อาทิตย์อะฮะก็มีคนที่ว่าอะไรนะบ้านอะไรใกล้เรือนเคียงอะอยู่ห้าสิบถึงหกสิบปีเขาก็เอาโฉนดมาคืนท่านดรปัญญาเหมือนให้ซื้ออะฮะว่าเหมือนเอามาคืนนะเจ้าของเก่าเนี่ยจนอะไรนะท่านซื้อจนติดทะเลกับติดถนนสุขุมวิทรวมทั้งหมดตอนนี้เป็นแปดสิบห้าไร่ เมื่อก่อนหนูก็ไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิศหรอกหนูไปอยู่กรมที่ดินออืรับค่ะเปิดสู่ถ้ำไหลหายากค่ะจนจนจนครบ85ไลน์เนี่ยค่ะเป็นที่มาอะไรที่ไปแล้วหลังจากที่พ่อแม่กุณอิมยังไงนะเสด็จแล้วก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงอคือ <c oughs> หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ม, มันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนนับปัจจุบันเนี่ยค่ะท่าน เพราะวันที่อะไรนะท่านมาประทับที่ที่เราเปิดเลิกเปิดชายก็มีตัวตออยู่ข้างบนบนบนฟ้าเลยฮะบนบนโดมที่ที่เป็นที่เป็นดอกบัวทองคำเลย อ, ะอ่ะพอดีท่านประธานก็สร้างไว้แล้วตัวตอก็ไปเกาะ อ, อยู่ประมาณเกือบสามร้อยตัวฮะอพอท่านประธานเดินไป ตัวต่อค่อนบินออกมาทวันตัวทีละตัวพวกช่างเชื่งก็ทําเก็บสีเก็บอะไรไม่กล้าทํา<ม>วี่บอกมาบอกป้อยเนี่ฮะคุณป้อยช่วยเห็นท่านประธานด้วยว่าผมจุดนะวันนี้ผมพวกผมไม่มาทํางานนะผมกลัวตัวต่อ<ม>เสร็จแล้วท่านประธานก็มีจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยะฮะพป้อยไปบอกท่านท่านก็มาดูท่านก็ไปแบบนั่งสมาธิภาพหนึ่ง แต่หนูไม่กล้าออกไปหนูอยู่ข้างนอกหนูกลัวท่านประธานก็ไปสงบสติหรืออะไรไม่รู้แหละส่งกระแสจิตเนี่ยประมาณสิบนาทีอ่ะต้น ต, ตอก็บีนออกไปทีละตัวทีละตัวจนหมดเลยค่ะแล้วก็มีคนเอาลูกไม้แกะสลักอ่ะที่เป็นที่เป็นอะไรนะอาสุรกายไม่ใช่ เ, เหมือนเป็นอะไรอ่ะเหมือนเป็นสิงห์ไงค่ะ แต่อายุพันสามร้อยปีเป็นไม้เนื้อห อ, อมเขาก็เอามาให้ท่านประธานเขาบอกว่าเนี่ยเหมือนจักเบื้องบนสั่งมาให้เอามาให้ให้พระแม่เป็นอีกออแล้วท่านก็เอ๊ะเหมือนเหมือนเราปกติสัตว์ที่มีเขีย้ยมีงานเราก็ไม่อยากได้ใช่ไหยฮะเขาก็บอกว่าต้องรับต้องรับท่านประธานเขบอกไม่รับไม่รับมไม่รับก็อยู่อย่างเนี้ย หนูก็เลยถ้าเถียงกันอย่างนี้ก็คงไม่จบหนูก็เลยโทรไปหาที่พ่อของคุณต้อยที่เป็นปู่เซียนนะฮะ ท, ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมฮะค่ะก็เลยแบบว่าเชิญให้ท่านไปดูว่าสมควรที่จะตั้งไว้ตรงไหนก็ผลปรากฏก็ไปดูเออไปดูถึงถึงเก้าครั้งเนี่ย่ะครั้งที่เก้าเนี่ยท่าน ท่านจะไม่กดยิ้มถึงจะกระทับใจยังยังบอกว่าถ้าเกิดยังเหมือนว่ายังไม่ได้อะท่านประธานก็ไม่เอาเหมือนจะทืนครั้งแรกก็ไม่ได้ครั้งสองก็ไม่ได้ครั้งสามก็ไม่ได้จนบอกสงสัยจะไม่มีบุญรับนั่นแหละอพอมาถึงครั้งที่เก้าโอเคไว้ตรงเหมือนเหมือนเหมือน เหมือนเวลาท่านมองไปอย่างนี้ฮะแล้วก็อยู่ด้านหน้าท่านเนี่ยวางต่งถึงเฉียงเฉียงซ้ายเฉียงขวาแล้วก็มีองศาด้วยนะคะรู้สึกจะหนูจำไม่ได้แล้วแต่จุดสี่สิบห้าจุดสี<ช>่สิบห้าอะางองศาเหมือมันเป็นเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นทิศดีไม่รู้นะเพราะห้ากับสี่มันบวกไป้เก้าใช่ไหมฮะ ันูก็จำได้แค่เนี่ยเป็นที่มาที่ไปดีเยอะมากเลยที่นี่มันจะเกิดเหตุการณ์มาแบบที่แปลกๆเลยก็มีพญานาคมีอะไรหนูหนูเคยเห็นพญานาคเลยนะคะท่านที่ที่นั่งบ้านนี่ทะเลใช่ตัวสีแดงตัวสีทองหนูก็เลยให้เขาสร้างขึ้นมาอะไรแปลตัว ที่เราพาตัวเองทีฆ่าวอ่ะเห็นป่ะเห็นป่ะอืก็คุณป้อชอบทำบุญชอบชอบแล้วก็ทุกวันเสาร์หนูก็จะเอาไข่ดิบไข่ดิบใช่ไหมฮะเก้าิบเก้ฟองไหว่ไหว้ให้ท่านไหว้เทวนาได้ไหว้พระยานาไหว้พระยานาแปดตัวแก็ดีแล้วอน ให้ทราบท่านจะมีอะไรแนะนำรึเปล่าคะเผื่ท่านนั่งแล้วท่านเห็นอะไรอย่างนี้แต่เห็นงั้แต่เห็นงัไมเราม่ถามไม่เปนเรสรเี่ของทางสายวัดป่าเขาไม่ได้มองข้างนอกเขามองข้างในคองมองมอง้าองข้างใจจะมีอะไรให้ให้แบบปบปรุงแก้ไขอะไรนะคะยินดีเลยค่ะ ไม่ไม่กล้าไปที่จะไปเห็นอย่างนี้อะไรคุณปอก็ะทำดีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมชอบเรื่รงารธรรมะทางธรรมะนี่เราจะเน้นมองข้างไหนมองใจมองใหดูใจสงบไหมใจมีความทุกข์หรือไม่ให้มองตรงนี้ผ่านหมดแล้ว ผ่านมาหมดแล้วจุดตรงนั้นนะเลผ่านยังไงเจอวิกฤตเนี่ยคะ่ะเจอวิกฤตทุกลูกแบบแล้วฮะยังไม่หมดนะยังมีใหม่ก็ยังมีใ ม, ม่มอีกใช่ไหมค ะ, ะตามยังไม่ตายนี่มันก็ยังขาดค่ะแต่ไอ้ที่ว่าไล่แรงมากๆากเลยะคะ่ะ คงไม่ละมันงก็เราเจอมันล้วก็เจอมาหมดแล้วปีทแต่ปีห้าหกห้าเจ็ดตั้งแต่ห้าห้าอะไรเงี้ยเจอมาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวยังมีความแก่ความเจ็บความตายเราถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะฆ่าตัวตายไปแล้วล่ะค่ะอแต่หมูก็ได้ธรรมะนี่แหละค่ะยังอยู่ได้อเหรือต้องมีความแก่ความเจ็บความตายมาอีกปกติตรงนั้มันปกติปกติถ้าทำใจแต่มันปกติเขาต้องมันจะทําใจได้หรือเปล่าค ถ้าทำใจได้มันก็เป็นธรรมดาถ้าทำใจไม่ได้ก็ก็ทุกข์เหมือนกันทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดไม่มีอะไรเที่ยงดแทนไม่มีอะไรเป็นของเราใช่ร่ า, างกายก็ไม่ใช่ของเราเพราะว่าทุกวันนี้หนูก็ทุกอย่างหนูก็บริจาคให้สกอาชาติไทยหมดแล้วอ ไปจากหมดไปจากดวงตาทางร่างายทุกอย่างฮะใช่มัเป็นการจ้องเหี้เฉยๆไปจากหมดีวันนี้ทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวตนเราก็เป็นแค่อาการ32นะทามาจากดินน้ำลมไปใจนี่แหละเป็นตัวสำคัญใจนี่แหละที่จะไปนิพพาน ใจนี่แหละที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์เป็นด้วยการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดไม่ติดไม่ถือว่าอะไรเป็นตัวเราของเราทั้งของภายนอกร่างกายก็ไม่ใช่ของเราสุขส่ายดีนี่ก็ไม่ใช่ของเราอืมวันหนึ่งทุกวันนี้หนูก็บอกเลยนะว่าหนูไม่เอาอื บอกกับท่อว่าไ ม, ไม่เอาไม่มีใครเอาไปได้หรอกไม่เอาของทุกอย่างที่แล้วว่าก็มีมีพา้าหรืที่เขาดูได้่ะ<อ>เขาก็บอกว่าทุกวันนี้คือเหมือนอันเนี้ยเป็นของหนูนะเ<อ>มื่อชาติที่แล้วอ่ะหนูดูแลตรงนี้อยู่<อ>เป็นสมบัติของหนูนะ<อ>ถ้าหนูไม่อยู่อ่ะสุขาวดีคงจะแย่เลไรอย่างเงหนูก็ไม่เชื่อหรอกหนูบอกงง ทุกวันนี้หนูคงไม่มีบุญบารมีถึงขนาดนั้นหรอกที่อยู่ได้ก็บพระดรปัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนทุกวันนี้หนูก็บริหารก็ช่วยช่วยก็มีไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนมีก็ช่วยได้เยอะนะยคะคนงานเยอะมากเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีเขาจะทํางานที่ไหนกินอะไรอืเครยังช่วยเขาได้เยอะอื แล้วก็ยังเชิญน้าชูตาประเทศไทยใช่ไหมะไกทัวร์มาอย่างเงี้ยเาืองไทยก็ยังมีแบบอะไรสวยๆป่าสวยๆให้ดูบรรยากาศดีริมทะเลอะไรเงี้ยสวยๆคนก็มาถ่าย่เป็นเรื่องของทางทางภายนอกันนี้ันเกิดหูหนูก็เลยซื้อของมาให้พ่อแม่เพราะว่าล่วงรับไปแล้วได้ เดี <krit> pues ๋ยวก็ส่งไปเป็นบุญส่งไปเอาของมาทำทบุญก็จะได้บุญบุญนี้ก็สามารถส่งไปให้ผู้ที่โรงรับไปได้มีอะไรอยากจะถามมมาที่นี่อยากจะรู้อะไรบ้างเาเพิ่งมาครั้งแรกอะค่ะ อะไรเพิ่งเพิ่งมียไรบุญเดก็ได้มาพูดพูดพูดกเขาเขาอยากมาเลยอะค่ะควรไม่อยากจะพามาเลยก็คือไม่ลังเลเลยบอกมากมากค่ะ ที่นี่ของของเราก็มีของมหัศจรรย์แต่เป็นของธรรมชาตินอย่างนี้หนูชอบนี่นี่คือน้องชายเขาเพิ่งเสียน้องชายเขาจะทำบุญที่วัดป่าคือจะอยู่สายบุญตลอดเลยอะค่ะจะจะประจำในวัดช่องลมวัดช่องตะวันตกเป็นฤิษคนโปรดของหลวงพ่อโบเกตของฤาษีคนเก่าขจุนเนาะก็เพิ่งสร้างสร้างพเ่ยก็เนยลอสร้างพระเสร็ สาวบัดก็ไปเลยไปเนาะใช่ไปแบบปัจจุบันทันด่วนเพอาะวาธรรมท่าโมมากไปจุนจะนั่งไม่ปัชนาถ้าเขาว่างเขาจะนั่งท่านั่งสมาธิไปก็ไปดีให้เขาไปดีไปดีร่ากายเขสดใสมากไปสมาธิผิวพรรณดีนะตอนที่ต่อจากเหล่านี้จะเปิดเปลืองตายนะครับเหมือนคนเป็น ที่สุขาโลดีนี้ก็ติดกับว่าช่องลมเลยใช่ไะมติดกันเลยนะจะมีถนนขั้นนะแค่ถนนขั้นมีซอยมีซอยขั้นอยู่ก็ให้เราคิดถึงหลังจากที่เราไปเราก็ต้องไปนะเรายังต้องไปต่อใจเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย อะรจะไปดีไปไม่ดีก็อยู่บุญบารมีที่เราสร้างกันเช่นเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีเนคข ม, มะบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีบารมีที่จะส่งให้จิตใจเราได้ไปสู่พระนิพพานหลังจากที่เรา ออกเดินทางไปจากร่างกายนี้ถ้ายังไม่ถึงบรนิพพานก็กลับมาทำต่อบา ร, รมีเหล่านี้ไม่ศูนย์เปล่าเราเอาติดตัวไปได้เช่นเมตตาบา ร, รมีทานบา ร, รมีเอาไปได้แล้วเวลากลับมาก็มาทำต่อเพิ่มเติมต่อไปให้มันครบเต็มรอเหมือนกับ <c oughs> เหมือนกับเรียนหนังสือ เราย้ายบ้านย้ายเมืองเราก็ไปเรียนต่ออีกบ้านอีกเมืองหนึ่งได้ไม่ต้องเริ่มต้นที่ชั้นอนุบาลอยู่ปหก็ต่อปเจดได้บารมีต่างๆอย่างเจ้าแม่กวนอิมนี่ท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่บำเพ็ญบารมีสิประการนี้เหมือนกับพระพุทธเจ้าที่มีสิบชาติพระเจ้าสิบชาติอันนี้ก็เป็น แต่ละชาติท่านก็เน้นการสร้างบารมีแต่ละแต่ละชนิดต้องมี1ิบบารมีนี้ถึงจะมีความสามารถที่จะตัดสู้ด้วยตนเองสามารถมีมีดวงตาเห็นธรรมได้ด้วยตนเองเห็นทางสู่พระนิพพานเห็นมรรคที่มีองค์8ว่าเป็นทางสายกลาง ทางที่จะนำผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะการเวียนว่ายตายเกิดถึงแม้ว่าจะเกิดในภพที่ดีในก็ยังเป็นที่มีความทุกข์อยู่พอมันเป็นภพที่ไม่จีรังถาวรเกิดมาเป็นมหาเศรษฐีก็เดี๋ยวแก่ก็เจ็บก็ตายไปทรบสมบัติเก้าของเงินทองที่ ามาได้ก็เอาติดตัวไปไม่ได้นอกจากเอาไปเปลี่ยนเป็นทานบารมีถ้าเปลี่ยนเป็นทานบารมีก็เอาติดตัวไปได้เหมือนพระเวชสันดรท่านก็บำเพ็ญทานบารมีพอท่านตายไปท่านก็ไปเกิดบุญสวรรค์แล้วพอลงจากสวรรค์มาก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธธัตถะแล้วก็มาบำเพ็ญบารามีต่อ ตนได้ตัดสริมบารมีอันสุดท้ายที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญก็ปัญญาบารมีที่ทำให้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยรรสัจสีเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมากจึงทำให้ท่านหลับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของท่านได้ทำให้ท่านได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ทำให้ท่านไปถึง นิพพานแดนสุ ข, ขาวะดีที่แท้จริงอันนี้ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดผู้ที่ไปถึงนิพพานแล้วจะสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเพราะว่าจิตใจนี้ไม่ได้ตายนะสถานที่ที่ได้ไปนี้เป็นสถานที่ที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่เหมือนพบอื่นๆที่ ไปแล้วก็ต้องเสื่อมไปเป็นพรหมแล้วก็ต้องเสื่อมลงมาเป็นเทพจากเทพก็เสื่อมลงมาเป็นมนุษย์พอพังเป็นมนุษย์ก็มาสร้างบุญสร้างบา ร, รมีกันใหม่ภพของมนุษย์นี้เป็นเหมือนที่เติมน้ามันเวลาเราเดินทางไปทางไกลนี่เราจะต้องแวะจอดตามทางเพื่อเติมน้ามันเพราะว่าน้ำมันที่เราเติมในรถเดียวมันก็หมด ถ้าเราไม่เติมแม่จอดเดียรรถก็ตายวิ่งไม่ได้ขับไม่ได้ก็ต้องเดินก็ลาบากคนที่ไม่แต่มบุญบารมีก็เป็นเหมือนคนที่ไม่เต่มน้ำมันรถยนต์พอรถยนต์ไม่มีน้ำมันก็เลยต้องเดินแลวต้องโบกรถของคนอื่นต้องอาศัยบารมีของคนอื่นอย่างที่วันนี้โยมจะส่งบุญไปให้คนที่ไปแล้วกลัวเขา เติมน้ำมันไม่พอต้องส่งน้ำมันไปให้เขาไม่อยากให้เขาไปโบกรถไม่อยากให้เขาไปเดินอันนี้พอเรายังต้องไปอีกราบใดที่เรายังไม่ถึงบ้านของเราคือพระ น, นิพพานเราก็ต้องไปต่อไปเพราะว่าบ้านต่างๆที่เราไปแวะอยู่นี้เป็นบ้านชั่วคราวเท่านั้นเองไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากบ้านนั่นไป มีบ้านที่เป็นของเราที่ถาวรก็คือพระนิพพานถ้าเรายังใบไม่ถึงพระนิพพานเราก็ยังต้องมาสร้างบุญบา ร, รมีกันต่อไปชาตนี้พวกเราโชคดีได้มาพบกับพระพุทธเจ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพบกับพระธรรมคำสอนที่จะสอนให้เราคอยเติมน้ามันอยู่เรื่อย เ, อยเติมบุญบา ร, รมีอยู่เรื่อย อย่าลงละเิยกับชีวิตนี้เพราะว่ามันเป็นชีวิตชั่วคราวชีวิตที่มีไว้เพื่อให้เรามาเติมบารเมมาเติมน้ำมันเหมือนกับเวลาเราไปถึงปั๊มน้ามันแทนที่เราจะไปเติมน้ำมันเรากลับไปกินขนมไปกินอะไรกันแล้วเสร็จแล้วก็ออกเดินทางต่อโดยไม่ได้เติมน้ำมันอย่างนี้เดี๋ยวปวดไปกลางทาง ยังไม่ถึงปั๊มน้ำมันต่อไปก็หมดซะก่อนฉะนั้นเราอย่าลืมว่าเรามาเติมบารมีกันเราจะหาความสุขบ้างก็ได้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันก็ได้แต่อย่าทำอย่างนี้อย่างเดียวนอกจากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ควรที่จะมาเติมน้ำมันเติมบารมีให้กับจิตใจด้วยมาทำทานกัน มารักษาศีลกันถ้าถ้ารักษาศีลแปลดได้ก็ก็มาจะเรียนเนกขมมะบารมีถ้าเราอยากจะได้อุเบกขาบารมีคือใจที่เป็นกลางใจที่ไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงเราต้องอถือศีลแปลแล้วก็มาฝึกนั่งทาสมาธิ ทำใจให้สงบเมใจสงบแล้วใจจะเป็นกลางจะใจจะรู้สึกเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเห็นอะไรก็จะไม่วุ่นวายใจไปกับสิ่งที่เห็นได้ยินอะไรก็ไม่วุ่นวายไปกับสิ่งที่ได้ยินใจของเราทุกวันนี้ที่วุ่นวายกันก็นเพราะเราขาดในขมม์ขาดอุเบกขากัน พอเห็นอะไรแล้วความรักชังมันจะมาทันทีเห็นเห็นสิ่ ง, งที่ชอบก็รักเห็นสิ่ ง, งที่ไม่ชอบก็ชังแล้วก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเห็นสิ่งที่รักก็อยากจะได้เห็นสิ่งที่ชังก็อยากจะหนีอยากจะไม่พบแต่ชีวิตของเรามันก็เลือกไม่ได้ ของต่างๆที่มันมาให้เราพบมาเห็นมาเจอนี่มันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ว่าเอาแต่ของดีๆมานะของไม่ดีอย่ามามันก็สลับกันไปสลับกันมาถ้าเรามีอุเบกขาใจเราเฉยๆเราก็จะไม่เดือดร้อนของไม่ดีมาก็รับได้ของดีมาก็รับได้ รับโดยที่ไม่ไปยึดไปติดนะเพราะของดีเดี๋ยวก็ต้องไปของไม่ดีมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปเช่นเดียวกันถ้าไปยึดติดเวลาเขาไปก็จะเสียใจถ้าไม่ยึดติดเวลาเขาไปเราก็จะไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์พระพุทธศาสนามีเป้าหมายสอนอยสอนอยู่ตรงนี้สอนสอนที่จะทำให้ใจเราไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่าง พราเหตุการณ์ต่างๆมันไม่เท่งแท้แน่นอนมันไม่ถาวรเราเลือกไม่ได้ว่าจะเอาแต่เหตุการณ์ดีๆเหตุการณ์ไม่ดีเอาเอาไม่เอาเองเลือกไม่ได้เพราะเราจะต้องเจอทั้งสองอย่างเจอทั้งเหตุการณ์ที่ดีและเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีถ้าใจเราไม่มีอุเบกขาใจเราก็จะแกว่งไปแกว่งมาเหมือนกับลูกตุ้มนาฬิกา เวลาเจอของดีก็แข่งเข้าหาเวลาเจอของไม่ดีก็แข่งหนีเวลาใจแข่งนี้ก็ไม่สบายใจก็ไม่สบายใจจะสบายแต่เมื่อใจไม่แข่งใจนิ่งๆเราต้องมาฝึกทาใจให้นิ่งกันวิธีฝึกทาใจให้นิ่งกันเนี่ยนั่งสมาธิกันมีใจจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวอารมณ์เดียวสิ่งเดียว อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแค่อยู่กับพุทโธพุทโธไปเรื้เพ่งดูลมหายใจไปถ้าไม่ไปคิดอะไรเดี๋ยวใจก็จะเป็นกลางใจก็จะนิ่งใจก็จะสบายแล้วพอมีเหตุการณ์อะไรมาก็จะไม่เดือดร้อนจะสูญเสียสิ่งที่รักไปก็ไม่เดือดร้อนจะต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเรา สามารักษาใจให้ไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆได้นี่คือสิ่งที่เราควรจะมากระทากันเพราะใจของเรานี้ตอนนี้มันยังแกว่งไปแกว่งมาอยู่มันยังไม่นิ่งมันยังมีอาการต่างๆเวลาที่ไปสัมผัส ร, รับรู้กับเรื่องราวต่างๆบางทีก็ดีใจบางทีก็เสียใจ ดีใจก็ไม่ดีก็ดีใจแล้วเดี๋ยวพอมันหายไปก็เสียใจอีก mm hmm. เสียใจก็ไม่ดีเพราะไม่ชอบเสียใจกันไม่อยากจะเสียใจกัน mm hmm. เราต้องฝึกทําใจให้อยู่เป็นกลางอยู่ระหว่างความเสียใจกับความไม่เสียใจ mm hmm. ไม่แกว่งไปทางดีใจไม่แกว่งไปทางเสียใจใจจะไม่แกว่งได้ก็ต้องมีสติคอยควบคุม มีพุโทโธคอยควบคุมมีลมหายใจคอยนึงใจเอาไว้อย่างใดอย่างหนึ่งใช้ได้สติที่เราใช้เป็นเครื่องควบคุมใจนี้มีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันเรียกว่ากรรมฐาน40เนเช่นพุโทโธเราก็เรียกว่าพุท ธ, ธานุสติดูลมหายใจเราก็เรียกว่าอานาปะนะสติ ถ้านึกถึงความตายก็เรียกว่ามรณะนุสติอารณ์เหล่านี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจได้ทำให้ใจไม่แวง่งทำให้ใจไม่ไม่วุ่นวายได้ทำให้ใจสงบไม่ว่าอะไรจะเกิดเช่นร่างกายจะแก่จะเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายจะตายไปถ้าใจมีสติมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใจก็จะไม่แวง่งใจก็จะเฉย เหมือับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเวลาที่ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายรู้สึกอย่างไรเวลาที่ร่างกายแกร่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็จะรู้สึกอย่างนั้นถ้ามีสติคอยควบคุมใจไม่ให้แกว่งให้ใจนิ่งให้ใจเป็นอุเบกขานี่เรียกว่าบาลเม่แล้วถ้าอยากจะให้มันไม่แกว่งตลอดโดยที่ไม่ต้องใช้สติมาคอยควบคุม ก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็คือการสอนใจให้ปล่อยวางให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจมาสัมผัสรับรู้ว่าเป็นสิ่งที่เราไปเลือกไม่ได้ไปห้ามไม่ได้ไปเปลี่ยนไม่ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดถ้าเราไม่ไปยึดไปติดไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจของเราก็จะไม่แกว่ง เราต้องคอยควบคุมความอยากด้วยปัญญาด้าเห็นว่าทุกอย่างเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ไปสั่งไม่ได้ไปเปลี่ยนไม่ได้ไปห้ามไม่ได้เราก็จะหยุดความอยากที่จะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่มีความอยากแล้วใจก็จะนิ่งไม่แว็งไม่ต้องใช้สติเพียงแต่ปล่อยวางหยุดความอยาก อย่าไปอยากให้มันดีไปตลอดอย่าก็อยากให้มันไม่เสื่อมอย่ากปอยากให้มันไม่ไม่เสียไม่จากกันของพวกนี้มันต้องมีวันที่เราจะต้องจากกันของพวกนี้จะต้องมีวันเสียเห็นไหมว่าเราเสียพี่ชายไปแล้วหลาไปเราจะเสียใครอีกอสุดท้ายก็ต้องมาเสียร่างกายของเรานี้ไป ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะไม่ทุกากับการสูญเสียของสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่เพราะสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในขณะ น, นี้เป็นอนัตตาทั้งหมดไม่ใช่เป็นของเรานี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆความทุกข์ต่างๆเกิดจากความอยากของเราเอง ไม่ได้เกิดจากของต่างๆที่ทมาหรือที่ไปเขามาเขาไปอย่างนี้มาก่อนที่เรามาเกิดเขาไม่ได้มาสร้างความเองด้วยความอยากของเราเองอยากให้ของที่เราชอบอยู่กับเราพอเขาไม่อยู่ก็ทุกข์อยากให้ของที่เราไม่ชอบไปเร็วๆเขาไม่ไปเราก็ทุกข์แต่ถ้าเรารู้ว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ เขาจะมาเขาจะไปเมื่อไหร่เป็นสิ่งที่เราไปควบกลุ่มบังคับไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวางปล่อยด้วยปัญญาปล่อยวางที่อุเบกขาให้ใจเฉยเฉยอย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปอย่าอย่าไปอะไรทั้งนั้นนนี้คือ นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของเจ้าแม่กวนอิมก็เหมือนกันต่อไปเจ้ามากวนอิมก็จะมาตัดสรู้มาเจอความจริงอันนี้เจอทุกสมุทยัยที่รอดมากก็จะมาสอนแบบเดียวกันพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนเหมือนกันหมดสอนให้ทำบุญให้ละบาปให้ชำระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์เพราะเป็นทางที่นาไปสู่ การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงทางที่นำไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเกิดนี่มันไม่ดีเกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเกิดแล้วมันทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่มาเกิดแลวการจะมันไม่มีทางสุขเคะมันไม่มีทางที่จะสุขเลยมันมีสุขแต่มันต้องมีมันต้องมีทุกข์ในที่สุด มันจะต้องทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตายถ้าไม่อยากจะทุกกับความแก่เจ็บตายก็ต้องไม่เกิดเท่านั้นเมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายจะไม่เกิดได้ก็ต้องชำนาญใจให้บริสุทธิ์ตั้งชำนาญกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจให้หมดไปตามโลคความโกรธความหลงความอยากต่างๆจะชำนาใจได้ก็ทั้งทบุญก่อน ละการกะทำบาปก่อนสามคั้นทำทำบุญละบาปแล้วก็ชำระจาจให้บอยสุดเมื่อบอยสุดแล้วก็ไปถึงพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าใครมาตัดสร้เป็นพระพุทธเจ้าก็จะรู้ความจริงอันนี้ หรือว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องเกิดจากการทำบุญ ล, ละบาทชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ดังนั้นก็คิดว่าพอสมพวรแก่เวลาก็จะอนุโมทนาให้พรถึงก้อระเทศคำบารมีเถิยในคำะก็ในคำะบา ร, รมีก็คือการออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไปถือศีลแปนี่เเรียกไปบวชเนคข ม, มอมไปไปเป็นพรมไปอกันไปนนถือศีลไปถือศีลแปดเพราะความสุขที่ได้จากการถือศีลแปนี่มีความสุขกว่าการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วมกาย<ม>่ความความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายมันไม่เที่ยงเวลาแปรจากไปก็ก็ทุกข์ เวลาร่างกายไม่ดี <ใน S 1> ตาหูไม่ดีนนก็ทุกแต่ถ้าเราไม่ต้องหาความสุขเรามีเนคขมาบา ร, รมีเราก็จะไม่ทุกข์เราจะสบายไม่เดือดร้อนน่นก็คือก็ยงโปจะไปถือศีลทุกปีค่ะทุกปีไปถือที่ไหนนะ่ะก็ที่ที่วัดที่ที่ที่เคยทำบุญประจำอ่า ก็ที่บนเขาเขียวก็เคยทางกับพระอาจารย์สัจธรรมไปอยู่กี่วันอาทีตไปอยู่นหนึ่งหนึ่งอาทเจ็ดวันเกินหน่ไม่ะเนหนึ่งไม่ต้องไปเกไ้ออยู่นานๆถึงจะดีคืออยากจะนั่งสมาธินั่งถือศีลแปดต้องไปอยู่ที่สงบปีกวิเวก อยู่ตามป่าตามเขาอย่างนี้ใจก็จะสงบง่ายสงบแล้วก็จะได้อุเบกขาอุเบกขาก็ทําให้ใจเราเป็นเหมือนก้อนหินใจเราไม่ไม่สะดุกสะดันกับอะไรก็เฉยเรียกว่านี่เรียกว่าอุเบกขาก่อนจะได้อุเบกขาก็ต้องมีเนื้อขัมมะก่อนต้องถือศีลแปดแล้วพอมีอุเบกขาแล้วก็ถึงจะไปเจริญปัญญาต่อไปได้ บอกให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเป็นทุกข์เราก็จะปล่อยวางได้ไม่ยึดไปติดเพราะว่าเรามีของที่ดีกว่าคือมีอุบเบกขาอุบเบกขานี้จะให้ความสุขมากกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากของต่างๆก็เลยทำให้เราเห็นว่าไม่มีของต่างๆเราก็ไม่เดือนย้อนไม่มีลาภยศสรรเสริญไม่มีลูกเสียงกินนั ก็ไม่เดือดรอนเพาเรามีความสุขที่ได้จากอุเบกขาที่ดีกว่าแล้วพอเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่าราบยศสารเสริญสุขเป็นทุกข์ก็ว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวสักวันหนึงก็จะต้องจากกันหมดไปมันมีมันมีวันแล้วเดี๋ยวมันก็มีวันดำใช่มีเจั้นมีเสื่อมอันนี้ว่าโลกธรรมแปเนี่ยเรานี่มาอยู่กับโลกธรรมแปดเกิดาบ จเจรินราบเสื่ราบจเจริญยศเสื่อมยศเจริญเจริญสรรเสริญก็นินทาจเจริญสุขก็ก็เจริญก็จริญทุกข์ต่อมันสลับกันไปเวลามันเสื่อมมันก็จะให้ความทุกข์กับเราแตถ้าเราไม่ไปยึดไปติดไม่ไปอาศัยเขาให้ความสุขกับเราเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเรามีความสุขที่ดีกว่า ความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิจิตใจให้เป็นอุเบกขานั่นหมายว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ปวดถ้าความสุขอันนี้เราก็สามารถใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่ต้องไปพึ่งไม่ต้องมีอยู่กับความสงบดีกว่าพระพุทธเจ้าพระอาจารย์ทั้งหลายท่านอยู่กับความสงบท่า น, นไม่มีราบยศสรรเสริญ ถ้ามีสมบัติเพียง8ชิ้นมีบาทหนึ่งใบมีผ้าสามผืนมีที่รัดเอวหนึ่งชิ้นมีใบมีดโกนมีมีดโกนไม่โกนหนวดมีเข็มกระด้างไว้ซ่อมเย็บจีวรแล้วก็มีที่กองน้ำมีสามี8ชิ้นเรียกว่าอัฐปริลคารอันนี้คือสมบัติของผู้ที่มีความสุขทางใจไม่ต้องพึ่งความสุขทาง ร่างกายทางตาหูจมูกนิ้งกายปีหนึ่งอาทิตย์หนึ่งมันมันไม่น่าจะพอนะความจริงต้องตองไปทุกเดือนนะแต่หนูก็ไป้นี่ฮวันโกนวันพักก็นี่ค่ะปฏิบัติวันโกนวันพักก็ยังโกนมันพา น, านหนูไม่นอนที่นอนนะหนูนอนกับเออนอนกับพื้นถือเสีนะ้งแปะไม่ไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ไม่เลยฮะไม่เลยฮะอ่าดี จนสาพีบอกไปปวดใจก็ต้องไปสังวันคนก็ไม่รู้นะเพื่อนงงก็มีเพื่อนทุกระดับเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นความสุขว่าบ้านอยู่สวยแต่แต่คืออยู่คเลือหาก็คิดเขาเป็นนางฟ้าต่อให้เป็นกระลาทาด้วยทองทาถ้าใจไม่สงบก็ไม่มีความสุขเช่อไก็ขุดโอละ เล่าให้พันตอนแรกเขาบอกกูแบบเหมือนไม่กล้าคบเนี้ยฮะเพราะว่ามาจากที่สูงก็เหมือนคุณหนูเป็นนักฟ้าอยู่ในคะเอหาดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพอเราสัมผัสอ่ะก็ธรรมดางั้นก็ไปไปด้วยกันได้อะไรใช่คือใช้ชีวิตง่ายๆเราก็คนที่ง่ายๆไม่ชอบกาไม่เรื่องมาก คนที่มีความสุขที่แท้จริงเขาไม่ไม่วุ่นวายใช่นี่ไม่วุ่นวายง่ายๆเรียบง่ายเดินดินเพื่อนเพื่อนวนงงว่าติดดินต้องติดเพราะว่าจะไม่อะไรทั้งสิ้น นอนกระดินกินกระซายได้ต้องรูยได้ได้ทุกสถานะหล่ออิสระนที่มีความสุขทางใจเขาไม่มีมาาไม่ทําให้ใครเกิดร้อนทํมาให้ช่วยใครได้เราก็ช่วยแร้วพบใครแล้วก็มอบความจริงใจให้เขาเราอยู่ในกลุ่มกาชาดห่างใจเราก็ไม่หลอกลวงกันไม่หลอกลวงกันให้เราก็ให้ความให้ความจริงใจให้ความเมตตาต่อกันให้ความเมตตา นั่นแหละเป็นธรรมที่ทําให้คนเรารักกันชอบกันคือความเมตตาเดี๋ยววันนี้ต้อาหนังสือธรรมะไปอีกค่ะเพื่อนที่กรุงเทพชุดที่เคยพามานะฮะชอบแล้วก็หลังให้เพื่อนมาจากกรุงเทพมาที่นี่มาหาท่านเราก็เอาหนังสือส่งไปเขาอีกก็ก่อนที่โอ๋ส่งไปก็บอกว่าคนเป็นมะเร็งก็เอาหนังสือไม่ให้อ่านให้เขาแบบสงบอะไรอย่างเงี้ยได้เอาไปเลยเนี่ยมีไว้เพื่อใหเอาไปอ่านคเป็นยารักษาโรคใจใช่ค่ะ ธรรมะเล่าใจจะหายทุกเดี๋ยวมีในในที่อยู่ในหอนั้นนะท้าตรงนี้วางไม่พอเดี๋ยวก็เพราะว่าไปก็จะส่งไปเพื่อดงเทพเพื่อดูกรสงเอเลยใช่คือส่วนใหญ่พูดแล้วก็จะถอดออกมาจากเสียงอัดแล้วก็ชอบพี่อันนั้นเมื่อก่อนมีจะเป็นธรรมะดนใจเล่นเล็กๆเลยนะะ อันนี้หมดไปแล้วแล้วก็ไปให้เพื่อนบ้านอะไรเงี้ยคนที่ชอบแล้วบางเล่มก็เป็นของของตามหาบัวท่านเป็นเขียนประวัติของแล้วตอนนี้มีถ่ายทอดสดไปทั่วโลกด้วยนะเนี่ยตอนนี้บ้านสุขาวดีไปทั่วโลกกันเนี่ยอัน YouTube Facebook เดี๋ยวเนี้ยกำลังออกอยู่เนี่ยจริงหรอส่งด้วยมันก็ไม่บอก คุยไม่เป็นไรแลให้เวลาเราเปิดกว้างให้มีความรับเดี๋ยวควรก็ไปเที่ยวสุขาวดีขึ้นุณต่อเคไปบ้านสากสายก็ดีไหมเคยไปตอนงานเลี้ยงเดียว พระอาจารย์จะถามอะไรพ่อคะออเปล่าครับเดี๋ยวจะมีคำถามที่ทางบ้านเขาส่งข้อความเข้ามาเดี๋ยวจะต้องตอบคำถามต่อญาติโยมจะอยู่ฟังก็ได้หรืออยากจะกลับก็ตามมัธยายสัยนะเพราะเรายังต้องมีต่อยประมาณชั่วโมงสนธนาทําทําน ทางเนี่ย YouTube Facebook ก็จะเป็นคงถามสดที่เขาโทรเส่งว่าบางครั้ำถามปฏิบัติไปเปิดก่อนอ่ได้อ่าได้หนะยังผ่านด้อยอะไรเงี้ยเหรอก็มือถือได้เนี่ยไปเปิดมือถือติดตามสดตอนนี้ได้เลย YouTube มีใช้ YouTube ก็มี Facebook เข้าไป เราไปเฟซลูกค้าอาจารย์สุดทาตทไม่ได้มาจะเปิดฟังในเฟ้องฟ้าเดี๋ยวนั่งรถไปก็เปิดดูได้ท้ามีสัญญาใช่ในเฟซีมีมี้เอาไว้เดี๋ยวแชร์ไปถ้าของแม่มนี่ปะแล้วจะเก็บเป็นเป็นไฟล์เก็บไว้ดูย้อนหลังได้เดี๋ยวคลินี้เปิดดูได้เดี๋ยวดูตอนต้นได้แต่ตอนนี้ยังดูไม่ได้เพราะกำลังยังถ่ายทอดสดอยู่แล้วปกติก พระอาจารย์จะไปอยู่ตรงนี้เหรอ่าทุกวันบ่ายสองโมงอไม่ได้อยู่วัดยาเหรออยู่ทั้งสองที่ตอนเช้าอยู่วันยาตอนบ่ายสองสองถึงสี่สงสี่โมงอยู่ที่นี่ที่นี่แล้วตอนเช้าก็ประมาณ8ดโมงถึงเดี๋ยววันไหนอยูจะได้วันไหนเราว่าเราก็ไม่อยู่มาแต่ถ้ามาเสาร์อาทิตย์เยอะมากเอาเหรอฮะเสาร์อาทิตย์คนเยอะ รถบางทีขึ้นมาไม่ได้มาจากทุ่แข้งทุ่แขงทั่วจังหวัดไอ้ททั่วประเทศอะทีตจังหวัดมาใกล้มาใกล้แล้วแต่แต่เดินี้ชาต่างชาติเยอะครับตั้งแต่มี Facebook Live มี YouTube เยอะขึ้นเยอะเลยมาที่นี่เลยเหรอใช่ครับเพราะอาจารย์จะตอบปัญหาภาษาอังกฤษจะมาล่วเด็หลังเลยด้วยก็ก็เคยแนะนำหลายครั้งแล้วพี่ถึงเอาเอูในประวัติท่านท่านจบลกเตอร์ใช่ไมอ๋อไม่ไม่จบปัญญาตีนั่นเอง ไปเรียนที่ต่างประเทศไปจบที่ต่างประเทศแคลิฟอร์เนีย Fresno State College อยู่ที่อเมริกาอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียจบวิศวกรรมแต่จบแล้วก็มาบวชไม่ได้ทำงานแล้วพ่อจันบวชที่วัดยาเลยเหรอคะก็บวชที่กรุงเทพวัดวัดบัซึ่งเป็นวัดวัดเดียวกับวัดยาเพราะสมเด็จมาสร้างวัดยาแล้วเสร็จแล้วก็มา ก็ไปศึกษากับหลวงตามหาบัวอยู่9ก้าพรรษาอยู่ที่อุดรธานีวัดป่าบ้านตาหนูเคยไปแล้วค่ะไปอยู่ที่นั่น9ก้าพรรษาแล้วก็มาอยู่ที่ที่ที่รานนักถืออันดับอายุร้อยกว่าใช่ไหมคะเก้าสิบกว่าเก9าสิบ้าเก้ตอนที่ท่านเสียท่นเสร็จหลังจาก อยู่ที่นั่นก็มาอยู่ที่นี่ที่มาอยู่วัดมาอยู่วัดยานอ่ามาอยู่วัดยานมาปฏิบัติท่านก่อนจะมาก็ไปอยู่ที่วัดช่องน้มอวัดโพธิสัมพันธ์ที่พัทยาอยู่ปีนึงอ๋อโพธิสัมพันธ์ปีหนึงแล้วก็มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีสองเจ็ดตั้งแต่สองเจ็ดอ่าสองเจ็ดที่สาสิบสองปีแล้วท่านบอกว่าอยู่พัทยาตอนปีสี่สีอ่าแสดงว่าท่านแลอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้หลูงพ่อมาพูดอะคะ มาอะไรนะมาบวชมาบวชแล้วไม่เสร็จเลยก็ทำะเนี่ยพราได้อ่านหนังสือธรรมะแล้วก็เกิดศรัทธาแล้วท่านอะไรอะไรจบวิสาวมาก็เลยไม่ได้นี่เนยไม่ได้ทำมาธรรมะเลยใช่นะคะแต่นี่ก็ช่วยคนได้เยอะนะคะ ช่วยคนให้หายทุกข์ให้บรรกิเลสได้อาจารย์ก่อนบวชท่านเคยไปอยู่ในวัดสวนก่อนวัดผาลูกที่วันสมัยยังไม่มีอะไรเลยอยู่ไปขอหลวงพ่อเบเกตอยู่เดือนนึงแล้วหลวงพ่อก็แนะนำให้ไปบวชต่อต้องได้ตั้งเล่าที่วัดบวชและปวัติในภาษาอังกฤษมีเขียนไว้อยู่ภาษาอังกฤษไมเว y มเว ก็มีเพื่อนยู่คนเวลาม า, มาเมืไทยก<ท><ม>็ชอบ ม, อมาถามว่าจะไปวิปัสนาที่นนไหนดีเห็นที่ลอนดอนเขามีวัดไทยไปวิปัสนาเราก็แบบพยายามแนะนํญญามานี่<ม>เดี๋ยวคราวนี้เอาหนังสือไปให้อ่านก่อนอ่านให้รู้ก่อนว่าคุณจะวิปัสนาเรื่องอะไรนั่นตอนนี้คนต่างประเทศก็ยึดติดตามกันก็มีสวิตเซอร์แลนด์ก็มีลัสกีกัสก็มีเมื่อวัอนนี้มาแข<ม>่งมากเกยมาตลอดเลยมาตลอ คุณบังเอินก็มาจากเซฟเซเลนรู <S <S ้สึติดตามทุกวันเนียปีสองเจดูกท่านปวดกีพันศาแล้วคะเนี่ยปวดตั้งแต่1นึ่แส่สล้วมั้ง่สิบสันี่กตอนนี้มนาเาอ่า่อค่อันนี้พันศาที่42ยังไม่ยังไม่ครบ42และยมพ่อรยมแม่ยังอยู่ใช่ไหมปอยมยมพ่อเสียแล้วแล้วแต่ยมแม่ยมแม่ก็อยู่ที่นาเกือนี่อยู่ที่มหก็รู้จักยมแม่รู้จักใช่ ก็เป็นคนเก่าคนแก่อยู่มาตั้งแต่สมัยพัทยามาบุกาแล้วยองแม่มาเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็เคยมาแต่เดี๋ยวนี้มาไม่ไหวแล้วอายุเก้าสิบแล้วลูกเด่กเล็กแบบแล้วเบารู้จักกันสนิทกันอันนี้เขาวุธิกรข้าไม้ดังเดิมอ๋อใช่ ความจริงเมื่อก่อนนี้โยมของพ่อเราก็เคยเปิดร้านค้าไม้ตรงที่สุขาวดีนั่นแหละที่รินถนนอออ่า ข, ขายไม่กี่ปีมั้งสี่ห้าปีแล้วก็เลิกขายไปอเขายอยู่ที่ตรงนั้นเมื่อก่อนไม่ถึงตรงนั้นติด ก, กับติดกับวัดชักลมเลยตรงที่ตรงตรงืออที่ตั้งสุขาวดีนัอนแตรงนั้นเลยเขาอยู่ตรงนั้นสุขาวดี มาซื้อตั้งแต่ปีปีสี่สองค่ะเอะนนประมาณอันนั้นไปอยู่ตั้งแต่ปีหนึ่งสี่สองเนี่ยอันนั้นไปตอนนั้นที่เไปเปิดมาราเสร็จปีประมาณปีสี่สี่อันตอนนี้ไปอยู่ตอนนั้นมันศูนย์หนึ่งศนะูนย์สองเาะน้เ <laughs> นาะศูหน่่ืเกนศูนย์ศ <laughs> ูนย์ศ <laughs> ูนย์สอง เรายังไม่รู้ไปอยู่ไหนเนาะโอเคนะโอเคตอนนี้ตอนน้ลาลนะคะขอให้สุขใจสมหวังในทุกสิ่งทุกประการนะตอนนี้ก็เป็นโอกาสของทางบ้านแล้วันวันนี้เกือบจะไม่ได้ถามแล้วัช้ใชมงคลควนะมีัววันตุเตผัววันตุเม่ยังยังไงนะใช้ยังไง ออเราก็ไม่ทราบมันต้องไปดูคำแปล์ขาจะบอกมันมีคำแป์มันก็เป็นภาษาท่านเองพะวันตุเตมันก็เราก็ไม่เข้าใจความหมายไม่ได้ไม่ได้ศึกษาภาษามากาต้องไปเปิดคำแปลดูค่ะขอบคุณครับ ถ้วดที่เจอเองไม่สดเตเปนมีก็ทนะมันเป็นเหมือนกับไวออยากรณ์ไงภาษาภาษาบาลีเขาก็มีไวยากรณ์เรียกตัวเราว่าเมเรียกคนอื่นว่าเตงานยนะพระวันตุเตนี่ให้คนอือนัดทิดเมสะะารนังอันยงังนี่หมายถึงว่าสานะอื่นไม่มีเราจะมีแต่สานะเดียวนี่คือเมถ้าเราสวดให้กับตัวเราพูดถึงเกี่ยวกับตัวเราเราก็เรียกว่าเมถ้าพูด คุณสวนให้คนอื่นให้พรคนอื่นก็เป็นเตไปเะย์มังกลคาถาสมว่าสวนให้ตัวเองก็เป็นเมยอันนี้เราก็ไม่ได้ศึกษาลึกซึ้งขนาดนั้นเขาก็ให้สวดตามที่เขาเขียนไว้เลยเขาเขียนว่าได้านเหมือนกันเราทำไปเตย์เตก็ได้เมนก็ได้ความจินการสวดนี้ไม่ได้เป็นการให้พรตัวเราหรอกเป็นการฝึกนั่งสมาธิมากกว่าเพราะใจเราชอบคิดปรุงแต่งไปห่วงเรื่องเงินเรื่องทองเรื่อง อะไรต่างๆเลยใจไม่สงบก็ลอามาสวดกันสวดบทไหนก็ได้สวดได้มันจะได้ลืมเรื่องที่เราไปกัวงวลด้วยพอเราสวดแล้วใจเราก็สงบมีความสุขดังนั้นสวดอะไรก็ได้ไม่ต้องเข้าใจความหมายก็ได้สวดให้สมาธิสวดให้ใจเป็นสมาธิให้นิ่งท่านเองถ้าเข้าใจความหมายก็จะได้รู้ว่าเป็นปัญญาเป็นคําสอนว่า วิธีที่จะดำเนินชีวิตยอย่างไรที่จะทำให้ใจเราสงบไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆท่านั้นเองในเรื่องมายากรจะเป็นเมเป็นเตนี่ไม่เป็นไม่มีเป็นปัญหาอะไรถ้าเราอยากจะทำใจให้สงบนี่สวดบทไหนก็ได้สวดอรลังสัมมาก็ได้สวดอิติปิโสก็ได้เหมือนกันสวดคำเดียวก็ได้พุโทโธพุโทโธคำเดียวก็ได้เป้าหมายก็คือให้ใจเราไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆ แล้วพอไม่คิดใจก็ว่างเย็นสบายมีความสุขเข้าใจน ะ, ะยันตอนนี้ก็มีใครอยากจะถามไหมที่นี่รอฟังกัน ร, รอคำถามก่อนอ่า <c oughs> อ่าเลยเข้ามาได้แนละ้วคำถามจากคุณแบงค์คุณพ่อเสียไปได้สองอาทิตย์ทุกวันจะสวด สวดมนต์บทอิติปิโสพาหุงและคาถาชินบัญชรแล้วอุทิศบุญให้คุณพ่อแบบนี้คุณพ่อจะได้รับไหมแล้วสวดสมบทนี้ได้ไหมครับและมีวิธีใดที่สามารถทําบุญให้ท่านแล้วท่านไปได้รับบุญบ้างครับก็การสวดของเรานี่เราก็ยังไม่รู้ว่าเราได้บุญหรือยังถ้าเราสวดแล้วใจยังไม่สงบบุญก็ยังไม่เกิดหรือถ้าเกิดก็เกิดไม่มากเนี่ย ถ้าอยากจะอุทิศบุญแน่นอนกว่าก็คือไปใส่บาตรดีกว่าเอาเงินไปบริจาคทำบุญทำทานอย่างนี้จะได้บุญที่แน่นอนกว่าเพราะเวลาเราสวด น, นี้สวดแล้วาอาจจะไม่สงบก็ยังไม่เกิดผลขึ้นมาจะสวดให้มันเกิดผลนี่จิตต้องสงบนิ่งสัตระว่ารู้ไม่คิดปรุงแต่มมีความสุขมากเนี่ยแหละที่เราอุทิศก็อุทิศความสุข ถ้าเราสวดไปแล้วใจเรายังไม่มีความรู้สึกว่ามีความสุขก็ยังไม่มีอะไรจะส่งไปเะฉะนั้นถ้าอยากจะให้มันแน่นอนกว่าก็ไปใสยบาทรดีกว่าเวลาใส่บาทรแล้วเราก็มีความสุขใจเราก็ส่งความสุขใจที่เกิดจากการใส่บาทไปได้หรือเอาไปซื้อโรงก็ได้ซื้อลงไปเบอร์จากให้กับปอเต็กตึงหรือร่วมกับตันยูนี้ทำแล้วเราจะมีความสุขใจ แล้วก็ทิศบุญส่วนนี้ไปได้แต่ถ้าเรานั่งสวดสวดไปแล้วจิตไม่สงบจิตก็ยังเป็นเหมือนเดิมก่อนสวดเป็นยังไงสวดเสร็จแล้วยังเป็นเหมือนเดิมอยู่มันก็ยังไม่เกิดบุญขึ้นมาเข้าใจไหมคําถามจากคุณสิริวัลการเดินธรรมัตายาคือการเดินแบบพระทุดงหรือคะธรมาาธรมะตาธรรมะตาเออธาเอองานธรรมะตา บางทคนเขียนก็เขียนม่วมาอันนี้เป็นศัพท์เขาใช้คําว่าเวลาพระเดินขบวนกันไปไหนเขาเรียกว่าธรรมย่าตราคือเดินเอเป็นภาษาเท่านั้นเองตามปกติความจริงก็เดินเทวดงกันจริงๆเขาไม่ไปการเป็นฝูงหรอกการเทวดงนี้ไปเพื่อไปเตกุเวกเขาต้องไปเดี่ยวหรือไปองค์สององค์ไปแบบเงียบๆไม่ใช่ไปแบบ จุดประทัดดังไปล่ามบอกชาวบ้านทั่วบ้านทั่วเมืองว่าฉันกำลังจะไปทุดดองนะอันนี้มันไม่ได้เป็นทุดดงมันเป็นการอวดทุดดองเข้าใจไหมโชว์ทุดดองทุดดงโชว์ทุดดองจริงๆก็ไม่โชว์หรอกไม่มีใครรู้หระเวลาคนที่เข้าไปทุดดงกันเขาไปกันเยี่ยบเยี่ยบเไม่ต้องการให้คนไปติดตามเข้าใจไหมเขาต้องการไปปีกไว้เมฆหนีคนการว่าทุดดงนี่แปลว่าเป็นการหนีคน ไปปีกไม่เวกไปอยู่ในป่าในเขาไม่ใช่มาทำเป็นทุ่ดงโชว์แล้วก็มีคนคอยเดินติดตามถ่ายทีวีไปตลอด <c oughs> อย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทุง่งดองนะคำถามจากคุณนายประภนทุกวันนี้เราต่างหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลมาตลอดเพราะบุญคือความสุขความปลอดภัยคือความสบายคือการสละออกให้ใจเรามีแต่ความเบาขึ้นหนูรู้สึกดีและเบาทุกครั้งที่ได้ทาค่ะ <c oughs> แต่มีบางแว็บเซียววินาทีหนึน่งที่มันมีคําถามเกิดขึ้นที่เรารู้สึกว่าเราต้องสร้างบุญไปถึงไหนคะสร้างไปถึงจุดไหนและไม่ต้องสร้างอีกเพราะบางทีมาพิจารณาว่าสร้างบุญเราก็ต้องมาเสวยบุญเราต้องมาเกิดพอเกิดแล้วเราก็ต้องสร้างมันอีกก็ต้องเหนื่อยเลยมีคําถามขึ้นมาว่าต้องสร้างบุญไปถึงจุดไหนคะที่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องสร้างบุญอีกแล้วเพืจุดอิ่มตัวไง จุดที่มีความสุขเต็มที่เต็มร้อยอันนั้นก็ต้องเป็นบุญระดับพระนิพพานบุญที่ไดจากการทาบุญให้ทานนี้ไม่พอให้ความสุขเต็มร้อยเราก็ต้องขยับจากบุญที่เราทาบุญให้ทานไปสู่บุญที่จากการรักษาศีลพอเราได้บุญจากการรักษาศีลแล้วล้วก็ไปเติมบุญที่ได้จากการภาวนานั่งสมาธิทาใจให้สงบ แล้วก็จเจริญวิปัสสนาเราถึงจะได้บุญเต็มร้อยถ้าเปรียบเทียบก็บุญที่ได้จากการทําทานก็ประมาณร้อยละยี่สิบเนี่ยแล้วบุญที่ได้จากการรักษาศีลก็เพิ่มเป็นร้อยละ30 40ิบสี่สเลยหออกนี้ก็ต้องไปภาวนาสมถะภาวนาและ ว, วิปัสสนาภาวนาแล้วเราก็จะได้บุญเต็มร้อยเมื่อเต็มร้อยแล้วก็หยุดทําได้ พอเป็นพออาาระอรหันต์แล้วก็ทีนี้ไม่ต้องทําบุญแล้วทําก็ไม่ได้ทําเพื่อบุญแล้วทเพื่อสงเคราะห์โลกนะช่วยเหลือคนอื่นแต่ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเพราะตัวเองนี้มันเต็มบุญเต็ ม, เ ต, มเต็มร้อยแล้วเพิ่มอีกขึ้นมาก็ไม่ได้ละอย่างพระพุทธเจ้าหลังจากตัดสรู้แล้วนี่พระพุทธเจ้าช่วยคนอื่นโดยที่ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้มีความสุขเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ มีเต็มร้อยแล้วเหมือนน้าเต็มแก้วแล้วเติม น, น้าไปอีกเท่าไหร่มันก็ล้นแก้วออกมาอันนี้เป็นการทำบุญของพระอาหารของพระพุทธเจ้าทำโดยที่ไม่ได้หวังบุญอะไรทาไปเพื่อช่วยเหลือคนที่มีความทุกข์ช่วยเหลือให้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันด้วยการสั่งสอนด้วยการให้ธรรมะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง พระอาจารย์ครับแล้วจริงไหมครับที่เขาบอกว่ายิ่งไม่ดักไม่อยากได้บุญเนี่ยบุญยิ่งเยอะกว่าเดิมครับพระอาจารย์อ๋อไม่หรอกไม่ไม่อยากได้มันก็ไม่ได้เลมันต้องอยากได้บุญมันจะได้ทําบุญไม่อยากได้บุญแล้าบุญมันจะมายังไงอ๋อหมายหมายว่าเวลาทําบุญแล้วเนี่ยแต่ไม่ได้ต้องการอยากได้บุญในการกระทําหมือนกัอ๋อคือการทําบุญนี่เหมือนการกินข้าวจะอยากอิ่มไม่อิ่มมันก็อิ่มอ่ะเข้าใจไหมอ๋อคนอยากคน เป็นเป็นตัวกิเลสไม่ใช่หรอคะถ้าใช้คำว่า <c oughs> คือมันเป็นความอยากมีทั้งที่เป็นกิเลสและที่เป็นธรรมไงถ้าอยากทําความดีก็ไม่เป็นกิเลสเป็นธรรมถ้าอยากทําความชั่วนี่ถึงจะเรียกว่าเป็นกิเลสเช่น <c oughs> อยากจะทําบาปนี่ก็เรียกว่าเป็นกิเลสอยากอยากเที่ยวอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เรียกว่าเป็นกิเลส <c oughs> เพราะมันจะนําไปสู่ความทุกข์าการทําบุญการรักษาศีลการภาวนานี่จะนําไปสู่ความสุข อันนี้ไม่ถือว่าเป็นกิเลสเรียกว่าเป็นทรรมคำถามจากคุณแบงค์นะครับคุณพ่อเสียไปได้สองอาทิตย์ทางแล้วมาไหนครั้คําถามจากคุณอนุสรผมชอบสวดมนต์แต่เวลาสวดมนต์แล้วชอบไปนึกถึงผลของอนิสงส์เหมือนสวดเพื่อหวังผลเลยไม่อยากสวดควรแก้ไขอย่างไรดีครับทั้งที่ใจก็รู้ว่าต้อง คำเหตุให้ถึงก่อนผลที่จะเกิดก็ให้จดจ่ออยู่การสวดอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องอื่นอย่าไปคิดถึงเรื่องผลที่จะเกิดจากการสวดให้อยู่กับการสวดมนต์ไปจดจ่อไปกับการสวดมนต์สวดอิติปิโสไปอารหังสัมมาสวัสดขาโตไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงผลที่จะเกิดจากการสวดแล้วเวลาใจสวดแล้วใจก็จะสงบสงบแล้วผลก็เกิดขึ้นมาก็คือความสงบ คำถามจากสามีพี่พระชะลาฝากถามมานะครับหากพระที่มีลูกศิษย์เรื่องใสามากๆประมาณว่าพระอาจารย์ข่าใครย่าแตะแต่ผมฟังแล้วว่าท่านไม่ได้สอนธรรมะตามพระพุทธเจ้าหรือพระแท้สอนผมไม่ศรัทธาจะผิดไหมครับไม่ผอศรัทธานี่มันเป็นเรื่องของเราเราจะเลือกศรัทธาในใครก็ได้ อยู่ที่ว่าเราไปศรัทธาถูกถูกคนหรือไม่ถูกคนถ้าไปศรัทธากับคนที่เขาไม่ได้เป็นคนที่รู้จริงเห็นจริงเราก็จะหลงไปกับเขาได้ถ้าเราไปศรัทธากับคนที่รู้จริงเห็นจริงเราก็จะได้รับประโยชเพราะเราจะได้รู้จริงเห็นจริงเหมือนกับคนที่เราไปศรัทธาดังน้นเราก็ต้องเลือกคนที่เราจะศรัทธาเหมือนกับเราเลือกโรงเรียนเนี่ยใช่ไหมเวลาเราจะส่งลูกไปโรงเรียนนี่เราก็เลือกโรงเรียนใช่ไหม อยากจะหาโรงเรียนที่ดีที่สุดให้ลูกเรียนลูกเรียนออกมาแ ล, แล้วจบแล้วจะได้ทำงานทำการมีงานทำการมีเงินมีทองเพราะเรียนจบจากโรงเรียนดีมานี่จะมีงานรออยู่เลยถ้าจบจากโรงเรียนที่ไม่มีชื่อเสียงนี่นบางทีเขาไม่อยากจะจ้างเพราะเขาไม่ไม่มีศรัทธาเหมือนกันการที่เราไปมีศรัทธากับผ่ า, าจานรูปใดรูปหนึ่งก็เหมือนกับการเลือกโรงเรียน ถ้าอาจารย์นี้มีชื่อมีเสียงลูกศิษย์ที่ไปเรียนกับท่านเรียนจบแล้วเขาได้ดิบได้ดีกันเราก็อยากจะส่งให้ลูกเราไปเรียนที่ตรงไปกับอาจารย์คนนี้อันนี้ก็เรื่องของศรัทธาเหมือนกันแต่ศรัทธากับลูกนั้นลูกนี้หรือไม่ศรัทธากับลูกนั้นลูกนี้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมแต่อย่างใดอาจารย์ครับ <c oughs> ผู้ <c oughs> ฝากถามว่าเวลาคนทําบุญแล้วพูดคําว่าสาธุเนี่ยแปลว่าอะไรและหมายความว่าอะไรครับอาจารย์ คำสาทุปแปลว่าดีแล้วชอบแล้วเออเวลาใครก็ทําบุญแล้วก็สาทุปวดีแล้วชอบแล้วทําไปเถเนเนอิ ด, วดวอววอความหมายเป็นอย่างนั้นเวลาเวลากล่าวคําถวายเสร็จก็สาธุปกันเน่ยขอถวายสังฆทานให้แก่พระสงฆ์เพื่อความสุขและความเจริญนี่พอถวายเสร็จคนที่เข้าร่วมก็ขอสาทุดีแล้วดีแล้วชอบแล้วทําถูกแล้วความหมายเป็นอย่างนั้นคอาจารย์ค่ะ แลอย่าง ก, การที่เราฝึกสมาธิเพื่องงความสงบอย่างนี้ค่ะเพื่อที่จะให้สติเนี่ยตามรู้ตามทำอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่าคะก็ไม่ได้ให้ตามรู้หรอกให้รู้ทั น, ใ ห, ทนให้รู้ทันแล้วหยุดมันมถ้าไปตามรู้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนตามวัวมันวิ่งไปก็วิ่งไล่ตามมันนี้เราก็เหนื่อยสิเราตาเราต้องการตามวัวเพื่อจะจับมันมาผูกไว้เม่มันจะได้ไม่ไปเพ่นพ่านไปสร้างปัญหาต่างๆขึ้นมา จิตของเรามันชอบไปสร้างปัญหาต่างๆชอบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ทําให้เราวุ่นวายใจขึ้นมาเราจเจริญสติเพื่อหยุดความคิดต่างๆเท่ากับเราต้องเท่าทัานอารมณ์ที่เราเกิดขึ้นใช่ไหมคะต้องหยุดมันให้ได้ไงมันก็มีสองวิธีหยุดด้วยการดึงไว้สติเรียกกันดึงไว้วิธีสองก็หยุดด้วยการฆ่ามันฆ่าอารมณ์ก็คือไปฆ่าต้นเหตุที่ทําให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาต้นเหตุที่ทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาก็คือความอยากต่างๆของเรา พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้วิธีนี้ตอนต้นไม่มีใครรู้วิธีนี้รู้ใจวิธีดึงไว้เท่านั้นเองแต่ดึงไว้มันไม่ตายพอปล่อยปั๊บมันก็วิ่งออกมาอีกพระพุทธเจ้าบอกไม่ไหวอย่างนี้ก็ต้องคอยดึงมันอยู่เรื่อยๆก็เหนื่อย<ม>ก็เลยหาวิธีใหม่ก็เลยเจอวิธีว่าต้องฆ่ามันวิธีฆ่ามันก็คือเนี่ยไปฆ่าต้นเหตุของมันต้นเหตุที่ทําให้มันเกิดอารมณ์นี้ขึ้นมาต้นเหตุ ที่ทำให้เกิดอารมณ์ก็คือการมาตัณหาเภาวะตัณหาวิภวะตัณหาสามตัวนี้นั้นพอเกิดตัวนี้ขึ้นมาเราต้องหยุดมันทันทีอย่าไปปล่อยให้มันโผล่ขึ้นมาถ้ามันไม่โผล่ขึ้นมาแล้วอารมณ์ต่างๆจะไม่มีใจจะว่างใจจะเย็นใจจะสบาย อ, อันนี้คือเป้าหมายของการดูจิตไม่ใช่ดูเฉยเฉดูเพื่อหยุดอารมณ์หรือดูเพื่อฆ่าอารมณ์เี่มันก็จะไม่ตายมันก็ต้องดูไปจนมันตาย ดูไปเรื่อยๆดูแล้วมันก็กลับมาใหม่ดูแล้วมันก็กลับมาใหม่คำถามต่อเนื่องจากพี่พระชลานะครับ อ, อนอกจากไม่ศรัทธาแล้วถ้าไม่กราบไหว้ผิดไหมครับก็ไม่ผิดถ้าเราไม่ไปเจอท่านแต่ถ้าเจอท่านถ้าเป็นเขามีธรรมเนียมเจอพระก็ต้องไหว้ก็ไหว้ไปหรือเหมือนกับไหว้พระพุทธรูปนี่แล้วก็ไหว้ไปเท่านั้นเองเป็นธรรมเนียมเป็นมารยาทไม่ให้เสียมารยาทก็มีคําพูดว่า อ, อ ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู้พอใจไหมคำถามจากคุณลิษาเป็นคนชอบฝึกโยคะมากคือฝึกเพื่อว่าแก่ตัวไปจะได้ไม่เป็นภาระใครถ้าอยู่ถึงแก่อยากถามว่าความชอบออกกําลังกายถือเป็นกิเลสอย่างหนึ่งด้วยไหมคะถ้าทำโดยประมาณเพื่อรักษาให้ร่างกายอยู่อย่างปกติสุขก็ไม่เป็นกิเลสเป็นหน้าที่ที่เราต้องทา เราต้องดูแลรักษาร่างกายให้อยู่อย่างปกติอันนี้แต่ถ้าทำแบบหมกมุ่นอยากจะให้มันดีสุดๆอะไรเงี้ยทำแบบสุดๆทำแบบเกินเหตุเกินผลอย่างเงี้ยไม่ดีถึงเรียกว่าเป็นกิเลสทำพอประมาณก็พอคำถามจากคุณวาสนาการที่เราทำดีกับพ่อแม่คือหน้าที่ของลูกที่ดี แล้วกับน้องๆหลานๆการที่ช่วยเหลือจนจุนเจือเขาเพราะเขาลําบากกว่าเป็นหน้าที่หรือเป็นบุญที่เราใช้กรรมเขาคะมันก็เป็นทั้งหน้าที่เป็นทั้งบุญคือเราเป็นพี่น้องกันก็ต้องคอยดูแลกันช่วยเหลือกันใครเดือดร้อนก็ช่วยกันเผื่อวันข้างหน้าเราเดือดร้อนเขาก็ได้ช่วยเราได้อันนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของมนุษย์ไม่ไม่ใช่แต่เฉพาะพี่น้องทั้งนั้นเอง คนที่เราไม่รู้จักถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากแต่แล้วเราก็ยังช่วยเหลือกันอยู่อันนี้เป็นเรียกมนุษยธรรมเป็นธรรมของมนุษย์มนุษย์มีความเมตตาต่อกันไม่เบียดเบียนกันมนุษย์เราจึงอยู่สุขสบายกว่าเดรัชานเดรัฉานนี้เขาไม่มีการดูแลช่วยเหลือกันเดรัชา น, นี้ตัวใครตัวมันฉะนันเราเป็นมนุษย์เราถึงว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าเดรัชานเรารู้ ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรทำให้เราอยู่กันอย่างมีความสุขเราก็เลยทำสิ่งที่ทำให้พวกเราอยู่กันอย่างมีความสุขก็คือคอยดูแลกันคอยช่วยเหลือกันแล้วโดยเฉพาะคนที่มีพระคุณของเราเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญมากที่สุดด้วยเช่นพ่อแม่เขาช่วยเหลือเรามาก่อนถ้าเราไม่มีพ่อแม่เียดูเรามาเราจะโตขึ้นมาเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่ในวันนี้ได้อย่างไร เราต้องรู้จักบุญคุณของพ่อแม่บุญคุณของผู้ที่เขาช่วยเหลือเราแล้วเราควรที่จะตอบแทนบุญคุณเขาตามโอกาสที่เราสามารถที่จะทําได้แล้วจะทําให้เรามีความสุขเป็นบุญในตัวด้วยการที่เราทําหน้าที่ของเรานี้เป็นบุญที่ทํารักษาความเป็นมนุษย์ของเราทําให้เราไม่เสื่อมไปเป็นเดรัจฉานได้คําถามจากคุณทิพย์ ชอบคิดไม่ดีกับพ่อแม่เวลารู้ว่าท่านเอาเงินไปเล่นหวยและบางครั้งก็เคยพูดว่าอยากให้ท่านเอาไว้ซื้อในสิ่งที่มีประโยชน์แต่พูดไปเขาจะไม่ชอบทำให้เรารู้สึกไม่ดีแค่คิดไม่ดีลูกก็บาปใช่ไหมคะลูกควรจะเฉยเฉยใช่ไหมคะคนจะเฉยเฉยแล้วคนจะคิดว่าเป็นเงินของเขาอะ่ะมันไม่เกี่ยวกับเราเท่าไหร่เลยไอเราโลภต้งกลัวจะไม่มีม า, าหลอดให้เรา <laughs> ถ้าเป็นคนอื่นเนีไม่เห็นเดือดร้อ น, นใช่ไหมคนอื่นเอาเงินไปเล่นหวยเราไม่เดือดร้อนแต่พ่อแม่เอาเงินไปเล่นหวยนี่เราเดือดร้อนเพราะกลัวเดี๋ยวพ่อแม่ไม่มีมรดกทิ้งให้เราคําถามจากคุณจงซินีวันนี้หนูทําบุญบริจาคเงินให้โรงพยาบาลถ้าหนูอยากจะอุทิศบุญให้ผู้ล่วงลับหนูต้องทําอย่างไรคะถึงจะถูกวิธีก็นั่ลึกภายในใจตั้งกิจอธิษฐานไปว่า ตอนนี้ข้าพเจ้าได้ทําบุญส่วนนี้ขออุทิศบุญส่วนนี้ให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วชื่ออะไรก็ว่าไปหรือถ้าไม่รู้จักชื่อหรือว่าถ้าเผื่อคนที่เราอุทิศเขาเขาเขาไม่ต้องรับบุญส่วนนี้ก็ขอให้อุทิศให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายไปก็ได้คําถามจากคุณจันทนาถ้าเราสวดมนในใจได้หรือไม่คะการสวดในใจได้ดีกว่าสวดออกเสียง เพราะว่าจะทำให้ใจไม่ต้องทำงานมากการออกเสียงนี้จะต้องบังคับให้ร่างกายทำงานด้วยใจก็จะสงบยากกว่าการสวดภายในใจเอ น, นการสวดภายในใจได้ดีและถ้าสวดเพียงคำเดียวได้ยิ่งดีใหญ่เพราะใจยิ่งจะสงบได้มากขึ้นสวดพุดโทโธพุโทโธคาเดียวอย่างนี้แต่ยางที่เราไปตามฟังที่เขาสวดกันมากๆออกเสียงแต่เราไม่ออกเสียงเราเราสวดในใจก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะได้เพียงแต่ว่า ถ้าจะทำให้คนที่เราไปสวดด้วยเขาเขามีความรู้สึกไม่ดีเราก็ต้องทำตามเขาเดี๋ยวก็จะหาว่าเราเอาเปรียบเราไม่ <c oughs> เขาสวยกันเหนื่อนไม่ออกเสียงนั้นก็แล้วแต่เรื่องการละเทสะถ้าไปสวดกับเขาเขาบอกให้ออกเสียงก็ต้องออกเสียงกับเขาแต่ถ้าเราสวดคนเดียวเราก็ไม่ต้องออกเสียงสวดปรุมพันปรุมพันไปพัปปในใจใจเราก็ได้คาถามจากคุณเจบ อาการของจิตรวมเป็นอย่างไรคะจิตจะมีอาการรวมสว่างโล่งเหมือนโลกดับไม่รู้สึกว่ามีกายตัวหายมีแต่ความรู้สึกรู้อย่างเดียวหรือเปล่าคะเวลาแค่เสี้ยววินาทีเองใช่ไหมคะมันรู้สึกลงไปหมดจิตรวมไม่จำเป็นต้องเกิดในตอนนั่งสมาธิหลับตาใช่ไหมคะได้มันรวมได้ทุกเวลาขอให้มันไม่มันหยุดคิดเมื่อไหร่มันก็รวมได้ี้บางทีมันมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ทาให้เราหยุดคิด บ่อยวามันก็รวมได้แต่มันเป็นของยากนานๆจะเกิดสักครั้งหนึ่งแต่ถ้าเราต้องการให้มันเกิดบ่อยๆเราก็ต้องใช้สติคอยกํากับควบคุมความคิดของเราอย่าให้คิดแล้วมันก็จะรวมได้บ่อยทุกต่อไปเราก็สามารถสั่งให้มันรวมได้ตามที่เราต้องการเพียงหยุดความคิดปั้มมันก็รวมนิ่งสงบได้ส่วนอาการผลที่เกิดจากการรวมนี้เป็นยังไงก็เหมือนกับบอกคนตาบอดว่าสีเขียวสีแดงเป็นยังไง ยันบอกไม่ได้อันนี้ต้องสิบปากว่าเท่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นนะยันไม่อยากจะปากเปียกปากฉีกเล่าเรื่องผลว่ามันรู้สึกยังไง <c oughs> ก็ขอให้ลองนั่งดูก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวพอมันถึงบัมัน ก, ก็จะร้องอ๋อเองอ๋อเป็นอย่างนี้เองคำถามจากคุณเทพพระโสดาบัมต้องทับต้องบําเพนบาลามีกี่ชาติพบถึงจะสำเร็จครับ ถ้าไม่เจอพระพุทธเจ้าก็ต้องบำเพ็ญไปแบบน้ำไม่ท่วนเนีแต่ถ้าเจอพระพุทธเจ้านี่เจ็ดวันก็ได้เจ็ดเดือนก็ได้เจ็ดปีก็ได้แล้วแต่ความขยันแล้วแต่ความเข้มข้นของการปฏิบัติของเราถ้าเราเข้มข้นมากปฏิบัติมากและเราฉลาดมากก็บางคนแค่เจ็ดวันพนระพุทธเจ้ารับรองไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีถ้าจเจริญสติในสติปัฏฐานจีได้ จเจรินปัญญาในสติปัญฐานสี่ได้ก็จะบรรลุว่าดได้ภายในเจ็ดวันเจดเดือนเจดปีแต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเนี่ยบำเพ็ญไปอีกเจ็ดกัปก็ยังไม่ได้เพราะเราไม่มีความสามารถเหมือนกับพุทธเจ้าที่จะที่จะบำเพ็ญและบรรลุได้ด้วยตนเองคําคำถามจากคุณการชนะ ้าติดภาระไม่สามารถทำวัดเช้าทาวัดเย็นได้แต่ถ้าเปิดเสียงสวดมนต์จากอินเทอร์เนต็ตไว้ที่ห้องพระแทนจะได้บุญหรือไม่คะ อ, อ๋อไม่ได้เหรอมาเราต้องสวดเองการสวดนี้เพื่อทำใจให้เราสงบ ก, การเปิดเสียงนี้มันไม่ได้ทำให้ใจเราสงบคำถามจากคุณแบทแมนภาวนาคืออะไรครับไม่ทราบว่าหมายความว่าหมายถึงการนึกถึง สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือสิ่งที่ปรารถนาหรือไม่ครับนนเหมือนกับเวลาคนบอกว่าอยากได้อะไรก็ให้ภาวนา อ, นนอยู่ในใจอันนั้นเป็นความหมายอีกความหมายหนึ่งความหมายของการภาวนาที่แท้จริงก็คือการพัฒนาจิตใจคาว่าภาวนานี้แปลว่าพัฒนาจิตใจมีอยู่สองขั้นขั้นแรกเรียกว่าสมถภาวนาทาใจให้สงบขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนาเรียกว่าทาใจให้ฉลาด สอนใจให้ฉลาดนี่คือการพัฒนาจิตใจเหมือนกับการไปเรียนหนังสือเนี่ยเป็นการพัฒนาจิตใจแต่เป็นความรู้ทางโลกความรู้ทางธรรมนี้ต้องภาวนาต้องนั่งสมาธิแล้วก็ต้องเจริญปัญญาเฉะนั้นภาษาไทยเรานี้จะยืมภาษาบาลีมาแล้วมันก็เลยมาแปลาคาหมายไปเพี้ยนไปหมดคาว่าภาวนาก็เลยกลายเป็นขอนน่นขอนี่ เหมือนกับคาอธิษฐานก็เหมือนกับแปลว่าขอนู่นขอนี่กันแต่ความหมายเดิมของคาว่าอธิษฐานนี่แปลว่าความตั้งใจตั้งใจที่จะทำอะไรที่ดีนี่เรียกว่าอธิษฐานอย่างพระพุทธเจ้านี่ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะนั่งภาวนาตรงนี้ไปจนกว่าจะตัดสรุถ้าไม่ตัดสรุก็จะไม่ลุกจากที่นี่ไปอันนี้เรียกว่าอธิษฐานไม่ได้ขอไม่ได้ว่าจะนั่งขอจนกว่าจะตัดทะุขอไม่ได้ จนจะต้องปฏิบัติจะต้องภาวนาคำถามจากวิเชภัชลายครั้งนะครับพระอาจารย์คื อ, อเราอุทิศบุญให้ผู้ให้ชีวิตใหม่แก่เราคือบริจาคไปให้เราและท่านยังมีชีวิตอยู่จะได้ใหม่ครั้งเสริมหน่อยนะครับท่านเป็นพระบริจาคไปให้พี่เขาท่านเราอยากจะตอบแทนเมืองคุณท่านเราก็ทําบุญกับท่านสิซื้อปัจจัยสิซื้อจีวอน ซื้อของใช้ไม่สอยที่ท่านจําเป็นหรือว่าถ้าท่านไปมีทําบุญอะไรเราก็ไม่ร่วมบุญกับท่านเช่นท่านกาลังไปสร้างโบสถสร้างเจดีย์หรือทำอะไรเราก็ไม่ร่วมบุญกับท่านได้ถ้าเราอยากจะตอบแทนบุญคุณกับคนที่เขามีชีวิตอยู่เราก็ตอบแทนด้วยการเอาข้าว เ, เอาของเอาเงินอทองไปให้กับเขาแต่ถ้าเขาตายไปแล้วเราให้เงินทองเขาไม่ได้เราก็เลยต้องทาบุญส่งไปแทน พระรูปนี้เนี่ยบาเพญได้อย่างไรบ้างครับอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่แต่มอบตายให้ผู้อื่นได้ครับอาจารย์ได้ก็อาจจะเป็นพี่น้องกันหรืออาจจะเป็นญาติกันหมีความเมตตาถ้าท่านตายหนึ่งท่านก็ยังอยู่ได้แล้วท่านมีความเมตตาสงสารถ้าไม่ให้ตายเขาตายเขาไปเขาก็ตายเขากไ็ได้ชีวิตจากท่านอันนี้ก็เป็นการบริจากที่แท้จริง ถ้าอยากจะบริจาคอวัยวะแล้วได้ผลได้บุญต้องบริจาคตอนที่ยังไม่ตายเพราะตอนที่ตายแล้วร่างกายไม่ได้เป็นของเราแล้วเราไม่มีความรับรู้แล้วว่าเราได้สูญเสียอะไรไปเราไม่ได้เสียสละอะไรไปเราจะไม่ได้บุญคนที่บริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลหลังจากที่ตายไปแล้วนี้ไม่ได้บุญเลยแต่ได้ทางผู้รับได้ประโยชน์ได้เอาไปใช้ศึกษาหรือเอาไปถ่าย ถ่ายตายเปลี่ยนตายให้กับคนที่ยังอยู่ได้อยู่แต่คนให้จะไม่ได้รับผลอะไรถ้าอยากจะได้รับผลต้องให้ตามที่ตัวเองยังยังรู้สึกตัวอยู่ยังรู้ว่าตอนนี้ฉันมีตายฉันกาลังเสียตายนี้ไปให้กับคนนี้ถ้าอย่างเงี้เขาจะได้บุญเพราะใจจะมีความสุขมากคำถามจากคุณวัชลินในขณะนั่งสมาธิสักพักรู้สึกสบายตัว เบามีความสุขมากๆใช่อาการจิต ด, ดวมหรือเปล่าครับแล้วอาการแบบนี้เกิดนานไหมถ้าหากมีคนมาเรียกขณะนั่งสมาธิเกิดมันมีความสงบหลาระดับนะระดับที่มันเริ่มต้นก็รู้สึกเบาเบสบายแต่ยังรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆได้ยังมีความคิดอะไรอยู่ได้อันนี้ก็ยังไม่ถือว่าสงบเต็มที่ถ้ายังพูดโทได้ก็ควรจะพูดโธต่อไปมันจะไปถึงจุดที่มันหยุดกึ๊กเนี้ย แล้วกทุกอย่างนิ่งสงบเหมือนตกหลุมตกบอ่อตกเขวไปอย่างเงนั้นธรรมะจะสงบอย่างเต็มที่คําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามจิตสุดท้ายก่อนตายจะทําอย่างไรไม่ต้องไปอบายคะและจะมีอุบายอะไรจะควบคุมจิตก่อนตายก็ต้องทําตั้งแต่วันนี้ไงต้องรักษาศีลท่าให้ได้ทุกวันไปจนถึงวันตาย ถ้าไม่รักษาวันนี้เวลาตายไปรักษาได้ที่ไหนนะไม่ทันเหมือนเรียนหนังสือเนี่ยจะมาดูหนังสือตอนคืนตอนคืนก่อนจะสอบเนี่ยมันดูไม่ทันนะมันต้องคอยดูมาทยอยดูมาเรื่อยๆวันละนิดวันละหน่อยมันจะได้จําได้แล้วพอถึงเวลาเข้าห้องสอบก็จะทําข้อสอบได้ข้อสอบของพวกเราที่จะไม่ไปอบายกันคือต้องรักษาศีลห้าได้ตลอดเวลา ถ้าเรามารอรักษาแค่วันสุดท้ายก่อนตายนี่ไอ้บาป ท, ที่ทำไว้มันไม่หยุดหรอกมันก็ดันเราไปอบายทันทีค่ะคำถามจากคุณหญิงการเดินจงกรมกําหนดจิต ด, ด้วยฟังธรรมด้วยถูกต้องหรือเปล่าคะคือควรจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะฟังธรรมก็ตั้งใจฟังธรรมไปถ้าจะกําหนดจิตก็มีสติ ด, ดูจิตไป ดูว่าจิตตอนนี้สงบหรือไม่สงบฟุ้งหรือไม่ฟุ้งอย่างเงี้ยถ้าฟุ้งก็หยุดมันด้วยพุทโธพุทโธไปเรียกว่าเป็นการดูจิตดูจิตเพื่อให้มันหยุดไม่ใช่ดูจิตเพื่อตามรู้ไปเฉยๆดูจิตเห็นว่าจิตมันคิดอยู่มันฟุ้งก็ต้องใช้พุทโธหยุดมันต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งจะทำสองอย่างปนกันไม่ได้ถ้าจะฟังธรรมก็ให้มีสติจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมเพียงอย่างเดียว แล้วจต ก, ก็จะสงบได้เหมือนกันเป้าหมายของการปฏิบัติไม่ว่าจะอยู่ในท่าไหนแบบไหนวิธีไหนก็เพื่อให้ใจสงบเองคำถามจากคุณศรีการเกิดที่มาเจอพระพุทธศาสนาที่ยังมีผู้รู้จริงเห็นจริงแล้วได้ฟังธรรมปฏิบัติตามที่ท่านสอนแล้วรู้สึกว่าสามารถพ้นทุกข์ได้แน่นอนไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนที่ได้มาเจอ ต้องทำมาในอดีตอย่างนี้ถ้าทำทานศีลภาวนาไปเรื่อยๆถ้ายังไม่ได้โสดาบันก็จะไม่หลุดจากกระแสเช่นนี้คือเกิดในภพชาติมนุษย์ก็จะมีโอกาสได้เจอและปฏิบัติต่อเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมคะการได้เจอพระพุทธศาสนานี่มันไม่ได้เป็นเพราะเราทาบุญทาทานรักษาศีลภาวนามามันอยู่ที่ว่ามีพระพุทธเจ้ามาตัดสร้กหรือเปล่า ถ้ามีพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเรามาเกิดในจังหวะนั้นเราก็จะได้เจอน้่นมันเป็นเรื่องของโอกาสมากกว่าเหมือนปู่ย่าตายายของเราที่ร้อยปีก่อนนี้<ม>ถ้าเขาเกิดเมื่อช่วงร้อยปีก่อนเขาก็ไม่มาเจอจุลาธรรมศาสตร์ใช่ไหมเขาก็ไม่ได้เรียนจุลาธรรมศาสตร์แต่พวกเรามาเกิดช่วงนี้มีจุลาธรรมศาสตร์ให้เราเรียนกันน้่นมันไม่ได้เป็นเรื่องของบุญหรือบาปที่เราทําไว้มันเป็นเรื่องของโอกาสเรื่องของจังหวะ ที่เราได้มาเจอพอดีเท่นั้นเองเองั้เมื่อเราเจอของดีแล้วเราต้องเรียบขวนขวายตักตวงประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเพราะโอกาสอย่างนี้ไม่รู้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ไม่ได้เกิดจากการทำบุญทาทานรักษาศีลมาแต่การทำบุญทาทานรักษาศีลมาจะทำให้เราพร้อมที่จะตักตวงประโยชน์จากาศาสนาได้ถ้าเราไม่เคยทำบุญทาทานมาชอบกินเหล้าเมายามาเจอาศาสนาเราก็ไม่เข้าหาอยู่ดี เราก็จะไปเข้าบาร์เข้าผับแทนเพราะเรายัางติดการดื่มสุรายาเมาติดกับการเที่ยวอยู่แต่ถ้าเราได้ฝึกจิตฝึกใจให้น้อมเข้าห า, าศาสนาอยู่เรื่อยๆทําบุญอยู่เรื่อยๆรักษาศีลอยู่เรื่อยๆภาวนาอยู่เรื่อยๆพอเรามาเจอาศาสนาปับ๊บมันจะดูดกันไปเข้าไปหากันเลยแต่ถ้าเราไม่มีความที่พร้อมเจอาศาสนาเราก็ไม่เข้าวัดกันใช่หไหมคนในบ้าน ถึงแม้จะอยู่ในบ้านเดียวกันคนนึงเข้าวัดอีกคนไม่เข้าวัดเพราะคนที่เข้าวัดในอดีตเขาเคยทำทำบุญเขาเคยเข้าวัดมาก่อนก็เลยทําให้เขาพร้อมที่จะเข้าวัดได้ ท, ทันทีทุกเมื่อเวลาที่เขาได้เจอพระพุทธศาสนาเขาก็จะเข้าหาได้เลยพวกที่ไปเข้าบาเข้าผับนี่เจอพระพุทธศาสนาทีไรก็ไม่เข้าพวกนี้เขาเรียกบัวใต้น้ำเขาเนี่ยัวที่ไม่ได้รับประโยชน์จากจากศาสนา ไม่มีวันที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้จะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปตรงนี้น่าเสียดายเนี่ยมาเกิดเจอพระพุทธศาสนาเนี่ยแม้ในเมืองไทยเนี่ยเรามีศาสนาพุทธมีคนที่เป็นชาวพุทธถึง9ก้าสิบเปอร์เซ็นต์ี่ยแต่เป็นพูทธจริงจริงสักกี่คนพุทธที่สนใจที่จะเข้าวัดอย่างพวกเราวันนี้แม้มีมีมากันสักกี่คน ถาอาจารย์เขาอย่าง ท, ท, ที่แสดงว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เราเราเคยได้พบในในอดีตในพระพุทธศาสนาสิคนะก็แสดงว่าเราอาจจะไม่าศาสนาพุทธก็ได้าศาสนาที่สอนคล้ายคึงกันแต่ไม่ถึงขั้นสูงสุดเนี่ยมีาศาสนาพุทธเน้นที่สอนถึงขั้นสูงสุดขั้นพระนิพพานแต่าศาสนาส่วนใหญ่ก็จะสอนให้ทําบุญทําทานให้รักษาศีลกันเราก็สามารถที่จะเข้ามาห า, าศาสนาพุทธได้อย่างชาวต่างชาติบางคนเขาเกิดเมืองนอกเมืองน เขาอาจจะไม่เคยเข้าศาสนาพุทธมาก่อนแต่เขาเคยเข้าวัดของเขาวัดเขาก็สอนให้รักษาศีลให้ทําบุญพอเขามาอ่านหนังสือธรรมะเขาก็เห็นว่ามีการปฏิบัติที่สูงกว่าที่จะได้รับจากพระพุทธศาสนาเขาก็มาบวชที่เมืองไทยกันเราต้องเตรียมตัวเราก่อนให้พร้อมที่จะเหมือนกับมหาวิทยาลัยเนี่ยก่อนที่เราจะเข้ามหาวิทยาลัยได้เราต้องเรียนจบม .6 ก่อนแล้วเราไปสอบเอ็นท่าน ถ้าเราไม่เล่นจบมาหกถึงแม้จะมีม้าวิทยาลัยใหญ่โตมาตั้งอยู่ในประเทศไทยเราก็เข้าไม่ได้เพราะเราไม่พร้อมง mm hmm. นัง้นการทําบุญทําทานรักษาศีลการภาวนาเนี่ยเป็นการเตรียมตัวเราให้พร้อมเผื่อเวลาโอกาสหน้าถ้าสมมติว่าชาตินี้เราไม่บรรลุไม่ดูดพ้นเนี่ยชาติหน้าเรามาเจอาศาสนาผู้อีกครั้งเราก็จะได้ทําต่อไปเรียนต่อได้เลยถ้าไม่ไม่ทําอะไร เจอวัดก็ไม่เข้าวัดหาว่าเป็นเรื่องงมงายไปซะนีกคนที่ก็ไม่เข้าวัดนี่เขาคิดว่าพวกงมงายที่เข้าวัดกันตายแล้วมันจะไปเกิดได้ที่ไหนตายแล้วก็กลายเป็นขี้เท่าที่ฐานไปก็ส่วนใหญ่เจอคนปฏิบัติด้วยกันเนี่ยค่ะหม อ, อ, อจะแบบเขาก็จะตัดท้ออะไรอย่างเงี้ยว่าแบบทำมันน้อ ย, ยอะไรเงี้ยแต่หนว่ามันไม่ใช่อยู่ที่ว่าคือเราเกิดมาเราไก็ทําให้มากได้เราเกิดมาเจอพระพุทธศาสนาแล้วแบบก็ ก็เจอแล้วไงก็ทําให้มากสิถ้าทําน้อยก็ต้องทําให้มันมากสิคนที่ทํามากก็ <S 1> <S 1> <S <ๆ>ไม่ต้องทํามากเหมือนคนที่ตักน้ําใส่ตุ่มเนี่ยคนนึงตักไว้เกือบเต็มตุ่มแล้วพอมาตักต่อสองสามขันนก็เต็มใช่ไหมคนที่ไม่เคยตักน้ําใส่ตุ่มแล้วมันก็ต้องเหนื่อยหน่อยแะมันถึงจะเต็มแต่มันก็เต็มได้เหมือนกันขอให้เราตักเท่านั้นเองขอให้เราทำเท่นั้นเองเดี๋ยวก็ได้ถามว่าครับเขาถามเขาถามข้อนึงครับ คือว่าถ้าเราถ้าเรานึกโมโหในคําพูดที่พ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายหรือว่าลุงป้าน้าอายครับพูดมาเราไม่ถูกใจเราแลนึกโมโหว่าไม่ถูกใจนะครับแต่นึกให้ในใจไม่ได้แสดงอะไรไม่ดีออกไปอย่างนี้ถือบาปไหมครับยังไม่บาปถ้าเราไม่ไปพูดอะไรไม่ดีไม่ไปทำอะไรไม่ดียังไม่บาปเพียงแต่ว่ามันเป็นอกุศลมันทําให้ใจเราไม่สบายถ้าเราอยากจะให้มันหายเราก็พุทโธพุทโธไป อย่าไปคิดถึงคําพูดของเขาพอเราพูดโธพุโทโธไปเดียวๆความไม่สบายใจเราก็จะหายไปแต่ยังไม่บาปยังไม่ได้ไปด่าเขายังไม่ได้ไปทุบตีข้าวของเงินทองอะไรต่างให้เสียหายอย่างนี้ยังไม่บาปแต่มันเป็นอกุศลมันทําให้ใจเราทุกทําให้ใจเราไม่มีความสุขวิธีแก้ก็คือพุดโธไป <c oughs> หรือให้คิดว่าเราห้ามเขาไม่ได้คิดว่าเป็นเสียงเสียงนกเสียงกา แล้วห้ามเสียงนกเสียงกาได้นะอ่านั่นแหล ะ, ละก็คิดว่าเสียงคนที่เขาพูดนี่ก็เป็นเสียงนกเสียงกาไปปล่อยเขาพูดไปเราอย่าเอามาใส่ใจขอบคุณมากครับคำถามจากคุณจอยอยากเริ่มสมาธิขั้นต้นในชีวิตประจําวันเริ่มอย่างไรดีคะเริ่มที่สติก่อนต้องสร้างสติก่อนนี่คำถามาถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิยังไงก็ไม่สงบเั้นต้องฝึกสติก่อน การฝึกสติก็ให้ใจอยู่กับเรื่องเดียวคิดอยู่อย่างเดียวเช่นให้คิดอยู่คำว่าพุทโธพุทโธไปพอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธเลยส่วนจะไปทำอะไรก็คิดเท่าที่จำเป็นอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดเพ้อฝันเพ้อเจ้ออะไรต่างๆคิดกับในเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ถ้ากำลังแปงฟันก็ให้อยู่กับการแปงฟันไปล้างหน้าก็ล้างหน้าไปอะไรเงี้ยคิดแบบนี้ได้ แต่อย่าไปคิดถึงคนนั่นคนนี้เรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อวานนี้เรื่องที่จะเกิดขึ้นในวนันนี้อย่าไปคิดอนะเลาให้มันเกิดกันแล้วค่อยว่ากันตอนนี้เราอยู่กับปัจจุบันพยายามดึงใจให้อยู่กับปัีวันอยู่กับอารมณ์เดียวเพื่อจะได้ไม่ไปคิดฟุ้งซ่านความคิดนี้มันจะทําให้ใจไม่สงบเวลานั่งสมาธิถ้าไม่คิดอยู่กับพุโทโธได้อยู่กับลมหายใจได้เดี๋ยวก็สงบได้คําถามจากคุณน้ํามน เราจะใช้ปัญญาพิจารณาถึงทูตผีหรือเปรตอย่างไรคะเราถึงจะไม่กลัวเขาเพราะสัมผัสได้ถึงพวกเขาบ่อยมากๆจนบางทีสติตั้งหลักไม่ทันค่ะจะฝึกพิจารณาบ่อยๆช่วยด้วยค่ะเขากับเราก็เหมือนกันเขาเป็นพูดเป็นผีเพราะเขาไม่มีร่างกายเราเป็นมนุษย์เพราเรามีร่างกายพอเราไม่มีร่างกายเราก็เป็นพูดเป็นผีเหมือนกับเขา <c oughs> เห็นไมเราต้องไปกลัวเขาเลย เขาก็ทําอะไรเราไม่ได้เราก็ทําอะไรเขาไม่ได้เท่านั้นเองถ้ากลัวยังคิดแบบนี้ไม่ได้ก็พุทโธพุทโธไปก่อนหรือคิดหรือท่านจะคิดให้หายกลัวก็ว่าอย่างมากมันก็แค่ตายให้คิดอย่างนี้แล้วมันก็จะหายกลัวถ้าเขาจะทำเราก็อย่างมากก็ทําให้เราตายเท่านั้นเองทาให้ร่างกายเราตายแต่เราไม่มีวันตายสิ่งที่ตายก็ไม่ใช่เราฉะั้นถ้ามันจะตายก็ให้มันตายไปแล้วเราก็จะหายกลัว คำถามจากคุณปัทมาพรลูกนั่งสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนมีใครเดินผ่านไปมาตลอดไม่ได้เป็นทุกครั้งนะเจ้าคะลูกสับสนไม่รู้ว่าฟุ้งไปเองหรือเปล่าลูกควรทําอย่างไรดีคะก็หนูไม่ได้ภาวนาเนี่ยหนูมานั่งดูความรู้สึกแทนต้องอยู่กับพุโทโธไปอย่าไปคิดอะไรอย่าไปรับรู้อะไรทั้งนั้นอะไรมาให้รับรู้ก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็หายไปเอง ข้อที่สองถ้าลูกคิดว่ายังไงชาตินี้ลูกคงไม่ได้ไม่ถึงพานิพานแต่ลูกพยายามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อหวังชาติน่าจะได้เกิดมาเจอพระพุทธศาสนาและอยากจะเกิดมาเป็นลูกลูกผู้ชายเพื่อจะได้บวทเรียนอย่างนี้ลูกมีกิเลสหรือเปล่าคะเป็นกิเลสกิเลสมันจะคอยปัดให้ไปผัดวันประการพรุ่งไปเรื่อยๆก็ อ, อ, อ้างก็ <c oughs> อ, อ้างคว <c oughs> าม <c oughs> จริงวันนี้โ อ, อกาสนี้ดีที่สุดแล้ว ที่มีพราพุทธศาสนาจะเป็นหญิงเป็นชายก็ปฏิบัติได้เหมือนกันเพราะจิตของหญิงจิตของชายก็เป็นจิตเหมือนกันมีกิเลสเหมือนกันมีธรรมเหมือนกันสร้างธรรมขึ้นมาได้เหมือนกันดงนั้นไม่มีโอกาสอันไหนจะดีเท่ากับวันนี้แล้วถ้าเปรียบเทียบกบวันนี้ถูกรอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งแล้วยังกระบอกจะไม่ขึ้นรางวันจะขอรอให้ออกวดหน้าก่อนแล้วค่อยไปแทงใหม่ส่วนอันนี้ขอโยนทิ้งไปอย่างนี้ก็โง่หรือบ้าเท<ม>่าทนั้นแหละเข้าใจไหม ตอนนี้ถูกรางวัลแล้วไปขึ้นรางวันใช่ไหมไปปฏิบัติเนี่ยพอปฏิบัติปั๊บมันก็ได้รางวันแล้วคําถามสุดท้ายจากคําถามจากคุณกั๊มีข้อสงสัยว่าเหตุอันใดที่ส่งผลให้เราเกิดเป็นคนคนนี้มีครอบครัวแบบนี้ใส่แบบนี้ก็บุนกบฏ ท, ที่เราทํำไว้นี่แนะที่มันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เราเกิดมาเป็นคนดีบ้างไม่ดีบ้างรวยบ้างไม่รวยบ้าง สวยบ้างไม่สวยบ้างอันนี้อยู่ที่บุญกับบาปที่เราทำไว้ถ้าบุญมากก็จะรวยมากสวยมากถ้าบุญน้อยบาปมากนี้ก็จะไม่สวยไม่ไม่รวยอย่างนี้ยอันที่สองของผลบุญผลบาปที่เราได้ทำกันไว้ในชาตินี้แล้วชาติหน้ามันก็จะส่งผลให้กับการเป็นของเราในชาติต่อไปยันพระเจ้าถึงสอนให้ทำบุญละบาป แล้วรับเราได้ทุกพบทุกชาติจะดีขึ้นไปเรื่อยๆทาบุญมากๆขึ้นละบาปให้หมดแล้วเกิดมาทุกชาตินี่จะมีแต่สิ่งที่ดีๆรอเราอยู่หมดแล้วนะไอ่าคำถาม่ถามนค่งคำถามจากคุณนลิมพร <c oughs> คนที่เคารพเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหรือสื่อได้ทางจิตเราบูชาความดีของเทพหรือเทวานุสติเขาผิดไหมคะ คนกลุ่มนั้นจะหลุดพ้นไปนิพพานได้ไหมคะ อ, อ๋อไม่ผิดหรอแต่ไม่หลุดพ้นไม่ได้เทพนี้เขาไม่มีความสามารถที่จะสอนให้คนหลุดพ้นได้ต้องพระพุทธ พ, พระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกเท่านั้นที่จะสอนให้หลุดพ้นได้ถ้าเปรเียบเทีก็เหมือนกับอาจารย์ที่จบปริญญาตรีสู้อาจารย์ที่จบปริญญาเอกไม่ได้ถ้าอยากจะจบสูงๆชั้นสูงๆนั้นต้งองไปเรียนการ์จารย์ที่จบปริญญาเอก อาจารย์ที่จบปริญญาเอกก็คือพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกพวกเทพนี้เขาระดับปริญญาตรีเท่านั้นงถ้าไปไม่ถึงพระนิพพานเขาไปได้แค่ชั้นสวรรค์ชั้นเทพถ้าไปกราบไหว้พวกพรหมก็ไปสวรรค์ชั้นพรหมพวกนี้ก็ระดับปริญญาโทถ้าปริญญาเอกก็เนี่ยไปพระนิพพานกันหมดแล้วนะคระอาจารย์ครับ เราเอ้เป็นผู้ปรุงจิตเองใช่ไหมคะไม่หรอกคือความคิดของเราเป็นผู้ปรุงแต่งจิตตัวที่ปรุงแต่งจิตก็คืออาวิชา <c oughs> ความหลงกิเลส ต, ตัณหาของเรา <c oughs> เป็นตัวปรุงแต่งให้เราไปคิดในทางกิเลส ต, ตัณหากันเราจรึงต้องมาศึกษาธรรมะแล้วเอาธรรมะมาแก้ความคิดที่เป็นกิเลส ต, <c oughs> ต่อไปเขาธรรมะเขจะสอนให้เราคิดไปในทางธรรมที <c oughs> ่เป็นทางธรรมก็จะพาให้เราไปนิพพาน